ไ, ไปเม้่อนั้นก็ไปติดตามมาหลวู่มั่นได้กลาวว่าท่านอยู่อยู่อดอนอรนี่ไงานก็ไปแตป่ครั้งแรกท่านไปไปอยู่ที่โคราชกันที่นั่นแล้วตามไปที่อุดรกันทราบวาทันไปสกลก็ตามไปสกลข้าเลยได้ไปพบหลวงปู่มั่นที่ที่สกลนครไปตอนเย็นๆตอนดึกหลวงปู่ท่านกำลัง เดินจงกลมอยู่ดยได้ไปต่าขออนุญาตอยู่พอดีโชคดีวันนั้นมีท้าอยู่รื่นมีท่านที่เคยอยู่ท่านออกไปท่าเลยมีที่ว่างก็เลยได้อยู่นั่งก็ดีใจนั่นก็เล่าว่าวันหน้าที่หลวงปูง่ วันนั้นนะ่ะหลวงปู่ท่านก็หลวงปู่ม่านท่านก็สอนหนุ่ตาว่าท่านเป็นถึงมหาท่านมีความนี้ทางปริยัติมามากแต่ตอนนี้ความนี้ทางปริยัตินี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจขอให้ท่านตั้งเอาไว้บนทิ่งก่อนอย่าไปสนใจกับความนี้ที่ท่านได้เรียนมามันยังไม่สามารถตัดกิเลสดับกิเลสได้ สิ่งที่ท่านต้องทำในเรื่องต้นนี้เลยต้องทำจิตให้สงบก่อนถ้าจิตสงบแล้วความรู้ที่ท่านได้เรียนนานี้มันจะมาเป็นเครื่องมือในการใช้ปากกิเลสได้แต่ตอนนี้จิตตรงนั่นไม่มีกําลังไม่มีสมาธิที่จะหยุดกิเลสไดเ้เพราะสมาธิก็คือการหยุดจิตเวลาทำจิตให้ในึ่งกิเลสมันก็หยุดหยุดตามไปด้วย แต่ถ้าเราไม่มีสมาไม่มีไม่มีกำลังที่จะทำจิตให้สงบได้เวลากิเลสมันมันแสดงอาการออกมาเราก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดมันได้แต่ถ้าเราหยุดจิตได้เราก็จะหยุดกิเลสได้แต่การจะหยุดกิเลสได้เราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสตอนนั้นเราก็ต้องอาศัยปริยัติธรรมที่เราเรียนมาแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลส เราก็สามารถที่จะดับกิเลสกตอ น, นั้นได้ทั้นก็จำได้ท่้นก็ท่าก็ปัญยาที่จ ะ, จะเจริญสมาธิทำจิตให้สงบการรู้สึกว่าท่านก็จะใช้พุทโธบริกรรมอย่างต่อเ น, นื่องไม่ว่าจะทำจิตอะไรก็ทำก็ให้มีให้จิตให้บริกรรมพุทโธไป คือข้อสําคัญเนี่ยอย่าปล่อยให้จิตคิดเรื่อเยเืยคิดแล้วมันจะมีเรื่องให้คิดไปเรื่อยคิดแล้วก็จะไม่สงบคิดแล้วก็จะมีอารมณ์ต่างๆตามมาแต่ถ้าคิดอยู่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวจิตหนึ่งก็จะค่อยสงบลงไปค่อยๆสงบลงัปเรื่อยๆแล้วไม่ไม่นานมันก็จะรวมลงได้ พอรวมลงแล้วทีนี้ก็กิดก็จะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบายทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าวิธีที่จะหยุดกิเลสหยุดอย่างไรหยุดคคอใชอ้อาศัยกำลังของสมาธิเป็นตัวหยุดแต่อาศัยปัญญาเป็นตัวตัวจัดมัน เพราะว่าสมาธินี้หยุดกิเลสได้แต่ทํากิเลสให้ตายไม่ได้เพราะว่ากิเลสนี้เกิดจากความหลงความเข้าใจผิดความเห็นผิดเป็นชอบวิธีที่จะทําให้กิเลสนี้ตายก็ต้องช้สมาธิความเห็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงความหลงก็คือเห็นเห็นความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยง เห็นความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนนี่นคือความหลงเช่นปุตุชนอย่างพวกเรานี่จะเห็นว่าร่างกายนี้เพี่ยงร่างกายจะอยู่กับเราไปตลอดอยู่กับเราไปมันางนานร่างกายนี้ให้ความสุขกับเราร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเรา เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็จะเกิดอุปทานความยึดมั่นผืมมั่นเกิดความโลภความอยากทุกอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆมีการปฏิเสธไหมที่ไม่มีความอยากอันนี้ทุกคนอยากให้ร่างกายนี้อยู่เป็นนานๆและยิ่งยิ่งอยู่อย่างสาอย่างหนุ่มได้ยิ่งดีใหญ่ืไม่อยากให้มันแก่แล้วก็ไม่อยากให้มันตาย เราจะปฏิเสธว่าเรารู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันเป็นความรู้ทางด้านปริยั์มากกว่าเรนเป็นความรู้ทางด้านสัญญาเราจาได้เราได้ยินได้ฟังได้ถูกสอนมาว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ลึกๆในหัวใจใจมันยังไม่ยอมรับมันยังอยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันมีความหลง เป็นตัวคอยปลูกความรู้สึกความอยากอันนี้เพราะเราเอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความสุขต่างๆเราใช้ตาไว้ดูรูปใช้หูไปฟังเสียงถ้าเกิดเราหูโงกตาบอดขึ้นหน่อยเราก็จะรู้สึกทุกข์ทรมารใจละเพราะว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นรูปต่างๆได้ยินเสียงต่างๆได้ อะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาให้ให้ร่างกายนี้อยู่ไปได้ น, น, นานเพราะเราอาศัยร่างกายนี้หาความสุขทางตาหูจะหมือนเป็นงกายนี้เองเพราะเราไม่รู้ว่ามีความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือคือความสุขภายในจิตใจของเราเอง นี่คือความหลงจึงทมให้เรามีความทุกข์มีปัญหาต่างๆอยู่ทุกวันนี้เราก็ความไม่ไม่เห็นต่างความจริงนี่คือเรื่องของปัญญาที่จะสามารถแก้หรือตัดกิเได้อย่างถาวรถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ร่างการนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงท่าสีมีน้ำหนึ่งร่างการนี้ไม่สวยงามเลยมีอาการสางคิดซ้อนมีผมขนและฟันหนังแล้วมีส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังมีเนื้อมีเอมีกระดูมีอวัยวะต่างๆถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆจะมันปรากฏเป็ น, นเป็นควา ม, มรู้สึกที่รู้อยู่อย่างต่อเ น, นื่อง พอเห็นร่างกายผีก็จะเห็นทุกสับทุกส่วนไม่เห็นแต่เฉพาะผิวหนังไม่เห็นแต่เฉพาะผมขนเล็บฟันแต่จะเห็นทุกอาการที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังและเห็นสภาพที่ ท, ที่ที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ได้ไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดต้องแก่ต้องหนังเหี่ยวหนังย่นผมขาวโดยต้อง เป็นราบสุดไป น, Harvey. นี่คือปัญญานี่คือความจริงปัญญาก็คือความจริงนี่นรู้ปัจจนานะครับรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงก็รู้รู้ตามความจริง ร, รู้ว่าร่างกายไม่เที่ยง ร, รู้ว่าร่างกายเป็นทุกข์รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนง ร, รู้ว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุจริงใน้นเหมือนกันรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ได้สวยงาม สวยก็เป็นความสวยชั่วคราว เ, เป็นความสวยที่เหมือนกับดอกไม้ดอกไม้ที่เราตัดมาบูชาพระเวลามันสดเราตักไว้ในเจกันมันก็ดูสวยงามดีพอทิ้ไงไว้สักอาทิตย์หนึ่งนี่มันก็กลายเป็นเป็นเป็นของไม่สวยงามแล้วบัวนี่กลายเป็นแคหากสีเขียวกลายเป็นสีน้ําตาลสีดันไปะ ร่างกายของคนเราก็เป็นอย่างนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนดอกไม้สดที่เราตักดูดดชาแต่พอตายไปเรามาดูคนตายดูถ้าถ้าดูแบบที่เขาไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรปล่อยให้ให้ให้ไปเป็นแบบธรรมชาติมันก็มันก็ไม่น่าดูนี่คือสิ่งที่เราต้องสอนใจให้ใจเพื่อจะได้ไปทําลายภาพวิ ภาพดวงภาพหลอนที่ใจมอีอยู่ติดอยู่กับร่างกายเราว่กจะมองร่างกายของเราว่าเป็นเป็นรูปร่างหน้าตาที่ดีสวยงามเยือรูปรูป ร, ปร่างหน้าตาของคนอื่นว่าว่าไมยงานหน้าดูแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปตลอดมันจะต้องถึงเวลาของ ม, มันก็จะต้องเปลี่ยนไปไปอีกอย่างนึง ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วอุปทานที่ยึดติดอยู่กับความรู้สึกเดิมๆว่าเป็นตัวเราเป็นของเราว่าว่าจะอยู่กับเราไปตลอดนี่มันก็จะถูกทำลายไปเมื่อมันเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเราก็จะปล่อยวางอุปทานก็จะก็จะไม่ไม่ยึดติดไม่ไม่ไม่พึ่งร่างการนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขเราไป ทั้งขางกายของเราเองและร่างกายของผู้อื่นเช่นคู่ครองของเราเมื่อเราปล่อยวางได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนั้นก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรว่าเป็นร่างกายของเราก็ดีของคู่ครองของเราก็ดีหรือของคนที่เราเทาลบรักก็ดีก็เป็นเหมือนกันทั้งนั้นเห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วจิตก็จะไม่ยึดติดกับร่างกายทุกชนิด แก็เป็นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายดื่มน้ำลงไฟเมื่อร่างการนี้มีเกิดเป็นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดมีการเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไม่มากระทบกระเทือกับจิตใจของเราเพรา ะ, ะจิตใจของเรานั้นได้ถูกถูกปัญญากําจัดกิเลสต่างๆให้หมดไปจากได้แล้ว ก็จะไม่มีกิเลสมาทิมแทงจิตใจเราไม่รู้สึกเร้ากเสียใจไม่รู้สึกอะไรอวบนอย่างใดนี่ถืว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออกเหมือนพระาทิตขึ้นพราทิตตกพราทิตขึ้นเราก็ไม่ได้ดีใจพระอาทิตตกเราก็ไม่ได้เสียใจ<ม>คนเกิดเราก็จะไม่ดีใจคนตายเราก็จะไม่เสียใจกระเสิบ จะเป็นเรื่องธรรมดาของยินน้ำลมไฟนี่คือปัญญาที่เราจะใช้มาแก้เรื่องมาทำลายกิเลยคือความโหนงความโหนงเมื่อเราไม่มีความโหนงแล้วเราก็จะไม่มีความโลภไม่มีความอยากกับอะไรเราเรู้ว่าไปอยากกับขอมที่จะทำให้เราเจ็บทั้งใจเราจะไปเอามาทำไมได้อะไรมาแล้วทังวันนี้งเขาก็ต้องจากเราไป โด อ, อยังขณะที่เขายังไม่จากไปเขาก็มาสร้างความกังวลให้กับเราเราต้องห่วงเราต้องกังวลว่าเราเมื่อเรารักอะไรเราก็อยากจะให้สิ่งที่เรารักนั้นอยู่กับเราไปนานไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นเรื่งบุคคลนั้นถ้าเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ทางร่านจิตใจเราก็จะไม่ไปหาสิ่งเหล่า น, นั้นมาสร้างความทุกข์ให้กับเรา เพราะเราจะเห็นว่ามีความสุขยามที่เราที่ดีกว่าอยู่ภายในใจของเราก็คือความสุขที่เกิดจากความสุบความสุขที่ที่ดีที่สุดความสงบที่ดีที่สุดก็คือความสงบที่เกิดจากการกาจัดกิเลสโลกกดลงให้หมดไปจากจิตปัจาัยความสุขที่เกิดจากการทาจิตให้สงบด้วยสมาธินี้มันก็ดีแต่มันไม่ไม่ดีเท่ากับการ การการได้ความสงบที่เกิดจากการกําจัดด้วยสัญญาร้องกความสงบที่ได้จากทางสมาธินี้มันเป็นชั่วขณะหนึ่งชั่วเวลาหนึ่งเหมือนกับหินทับยาเวลาหินทับยาไว้ยาก็จะไม่งอกออกมาพอเราเอาหินออกพอพอได้น้ําได้อากาศได้แดดเดี๋ยวยาก็จะจะิลยงอกออกมาใหม่ กิเลสก็เหมือนกันเวลาที่เราทําสมาธิเราจิตเราสงบนิ่งในขณะนั้นรู้สึกว่าไม่มีกิเลสเลยเราตามโน้ยก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความโหยก็ไม่มีมีความสุขความสบายแต่มันมันมันอยู่ไม่ได้ไม่นานพอออกจากสมาธิแล้วพอเริ่มคิดเริ่มหลงเริ่มเห็นเริ่มได้ยินกิเลสก็ออกมาเพ่นพานแล้วเริ่ม ชอบสิ่งนั้นเริ่มเกลียดสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากจะหนีจากสิ่งนี้เพราะว่าสมาธินี้เพียงแต่เพียงแต่เบรกไว้เท่านั้นเองหยุดไว้ชั่วคราวหยุดหยุดการกระทําของกิเลสไว้ชั่วคราวกิเลส น, นีอาศัยความคิดปรุงแต่งอาศัยสัญญาความจำได้เหมือนวิเป็นเครื่องมือ พอเราเห็นอะไรแล้วก็จำได้ว่าเป็นหนเป็นหิงเป็นชายดีหรือชั่วชอบหรือไม่ชอบเนี่มันก็จะตามมาแล้วเมื่อชอบชอบก็จะมีสันทร์อยากตวงชอบก็ไปเอามาสินะถ้าไม่ชอบก็เดินหนีเสียนีย่ก็จะเป็นสังขารเป็นความอยากขึ้นมาสิ่งไหนที่ชอบก็อยากจะเข้าใกล้สิ่งไหนที่ไม่ชอบก็อยากจะหนีออกค่าง ถ้าหนีได้ถ้าหนีไม่ได้ก็ทุกข์วุ่นวายใจถ้าเราต้องอยู่กับเสียงที่เราไม่ชอบอเช่นเจอคนนี้ทีายก็มีแต่พูดมีแต่ดาวมีแต่ว่ามีแต่ตำเนติเพียงเราก็ไม่ชอบถ้าหนีจากเสียงนี้ไปไม่ได้ก็ทุกข์ทรมานใจถ้าเจอเสียงที่ที่เราชอบชิ่นที่เขาชื่นชมยินดีชมเราอยู่เรื่อยพอเราได้ยินเ้าก็อยากจะอยู่ใกล้เสียงนั้น น, นาน ไม่อยากใ ห, ให้สิ่งนั้นมันหายไปพอหายไปก็เสียดายเสียใจก็เป็นทุกข์่างชอบก็เป็นทุกข์ไม่ชอบก็เป็นทุกข์นั้นเราต้องฝึกสอนใจให้อยู่กลางกา ร, ระหว่างชอบกับไม่ชอบคือให้เป็นอุนเบค้าให้สัตว์รู้ให้รับรู้ทุกอย่างที่ใจต้องสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นลูกเสียงก ล, ลกาาิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดใดก็ตามวิธีที่ทจะทําให้สิ่งที่เราเห็นให้เราเป็นอย่างนั้นได้ก็คือเราต้องมพยายามพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่เราชอบนั้นมันก็ไม่ดีจริงสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ไม่เียนจริงทั้งดีทั้งสิ่งที่เราชอบไม่ชอบมันเหมือนกันคือมันเป็นไตรักเหมือนกันมันไม่เที่ยงเหมือนกัน มันให้ความทุกข์กับเราเหมือนกันมันมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องดูจากวิธีปฏิบัติกับสิ่งเหล่านีน้ที่จะทําให้จิตใจเราไม่ว้าวุ่นกวนวัก็คือการทําใจให้เป็นอุเบกขาการจะทําใจให้เป็นอุเบกขาได้ก็ต้องมีสมาธิ ถ้าเราไม่ทําถ้าเราทําไม่ได้ทําสมาธิเราจะไม่รู้จุดอุเบกขาว่าอยู่ตรงไหนเราก็จะเราก็ยังจะมี ม, มีชอบมีไม่ชอบอยู่เวลาที่เราเจออะไรแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะรู้ว่าจิตเวลาเป็นอุเบกขาเป็นอย่างไรและเวลามันจะขยับไปสู่ด้านที่ชอบหรือไม่ชอบมันจะรู้ ท, ทันทีว่ามันได้ออกจาก มันได้ออกจากจากจากจุดเบคขาแนละ้วมันก็จะรู้ว่าจิตเริ่มกระเพื่อมแล้วิดกำลังเริ่มเข้าไปหาความทุกข์ละเพราะถ้าชอบเดี๋ยวก็ต้องเสียใจเวลาสิ่งที่ชอบนั้นจากเราไปหาไปหรือถ้าไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเกิดความความกังวลกัาวยขึ้นมา ท, าทันทีเราก็ต้องดึง จิตให้กลับเข้าสู่อุเบกาวิธีที่จะดึงถ้าดึงด้วยสติมันก็จะอยู่ได้ชั่วคราวแต่ถ้าดึงด้วยปัญญามันก็จะอยู่ได้ถาวรคือเราต้องยอมรับความจริงว่า ส, สิ่งที่เราไม่ชอบมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเมื่อต้องอยู่ด้วยกนันก็อยู่กันไปไม่ต้องไปปฏิเสธไม่ต้องไปขยับไม่ต้องไปขับไล่สส่ ง, งเขาไม่ต้องหนีจากเขาไปต้อง คนที่เราไม่ชอบมันก็เป็นถ้าเช่นสมมติว่ารูปมันก็เป็นรูปเหมือนกันรูปที่เราชอบมันก็เป็นรูปเหมือนกันคนที่เราชอบเนี่ยมันก็มาจากดินน้ํำลมไฟเหมือนกันคนที่เราไม่ชอบมันก็มาจากดินน้ํามไฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่ามันเป็นศักแต่ว่ารูปฉันมันก็จะไม่เกิดอารมณ์ชอบหรือชังเกิดขึ้นมา เราพยายามพิจารณาทุกอย่างให้ลงไปที่ตายรักแล้วจิตจะเป็นอุเบกขาได้จิตจะปล่อยวางได้นี่คือเรื่องของปัญญาที่จะต้องอาศัยสมาธิก่อนถ้ายังไม่มีสมาธิมันจะไม่สามารถที่จะหยุดใจได้ทาใจให้เป็นอุเบกขาได้ใจมัน สภาปัญญาก็ไม่ได้เป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังการได้ศึกษาเล่าเรียนเรื่มีปริยักษิธรรมหรือ ป, ปัญญาที่เกิดจากการคิดค่ายคกลยังไม่มีกําลังพอที่จะหยุดกิเลสตัดกิเได้เพราะมันเป็นปัญญาที่ไม่ต่อเนื่องเราคิดแล้วเราแล้วก็เราจําได้แต่มันห่างไกลจาก จากใจเวลาเกิดเกิดเหตุการณ์จริงๆนี่มันมาไม่ทันมันมาทับกิเลสไม่ทันมันเผลอมันลืมไปแนละ้วรู้อยู่ว่ามันไม่ดีแต่พอเจอเข้าจริงๆแล้วมันเห็นว่าดีไปหมดชอบขึ้นมา ท, าทันทีลืมมันหมดว่าเคยเจ็บปวดวัดเล้ากับคนนั้นอย่างไรแต่พอเจอเขาซับทีนี้มันใจมันก็อ่อนไปนหมดถ้ายังชอบเขาอยู่ ก็ยังออกอยูอ่ออยแต่ถ้าเรามีสมาธิเราจะเจริญปัญญาอย่างอย่างต่อเนื่องเมื่อเราจะพิจารณาว่าคนนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ลยทุกลมหายใจเข้าถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นภาวนามาย์ปัญญาการที่จะเป็นภาวนามาย์ปัญญาได้ก็ต้องจิตต้องมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ไม่ถูกอารมณ์อย่างอื่นมาชดลากไป ถ้าไม่มีสมาธินี่เราพิจารณาเรื่องนี้ได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมีเรื่องอื่นมาเดินไปให้ให้ไปคิดนะหรือพอได้ยินเสียงก็ไปก็ไปคิดถึงเรื่องเสียงนั้นพอเห็นรูปก็จะไปคิดถึงเรื่องรูปนั้นมันก็จะถูกฉุดลากไปสิ่งที่เราต้องการพิจารณาเพื่อปล่อยวางมันก็ไม่ได้พิจารณาได้อย่างต่อเ น, นื่องมันก็ยังปล่อยวางไม่ได้แต่ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างต่อเ น, นื่องกระทั่งมันมัน มันเข้าไปในใจมันฝังลึกอยู่ในใจแนละจะเราปล่อยได้แนละ้วทีนี้เราก็หยุดพิจารณาก็ได้เพราะเรารู้ว่าเราปล่อยได้แนละ้วทีนี้ตอนนี้ถ้าเราเจอคนนี้ทีไรเราก็จะรู้สึกเฉยๆฉยไม่ว่าเขาจะพูดกล่อมเกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะมาหลอกเราได้เพราะเราเข็ดแนละ้วเราจำได้วนะ่เขาเป็นอย่างไรเขาไม่ดีเขาไม่ได้ความสุขกับเรา ความสุขเขาให้กับเรานี้เพียงเสี้ยวเดียวแต่ความทุกข์นี้เขาให้กับเรามันต้องหลายเสี่ยวหลายเท่าเหมือนกันเหตุการที่จะเจริญปัญญาได้จริงๆจริงต้องมีมีสมาธิเป็นเป็นฐานก่อนเพราะมันต้องพิจารณาอย่างต่อเ น, นื่องถ้าลบทุกข์ลบหายใจก็ออกเลยดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอนุล์ให้พิจารณาความตาย ต้องพิจารณาทบทวมหายใจเข้าออกถ้าวันหนึ่งพิจารณาแค่สามสี่ครั้งนี้สี่ห้าครั้งนี้แสดงว่ายัางยังไกลามากเพราะเวลาเกิดเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่จะจะแข่งกับความตายนี้มันจะไม่มีปัญญามามาม า, มาแก้เกลี่ยได้เกลี่ยมันจะเร็วกว่าเกลี่ยมันจะสร้างความทุกข์ความกลัวขึ้นม า, ท, าทันที ถ้ามีปัญญาอยู่ติดอยู่กับใจอยู่ทุกขณะพออยู่กล้ากับเหตุการณ์ที่จะทำให้คิดว่าจะต้องตายนีมันปัญญามันจะมามามาสกัดกิเลสและไม่ให้เกิดความกลัวขึ้นมาปัญญาจะให้ปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วนะทีนี้ก็ก็รู้แล้วปล่อยได้แล้วถ้าพอปล่อยได้แล้วทีนี้ก็หมดปัญหาไม่ต้องพิจารณาต่อไป เรื่การพิจารณาของเรานี้ถ้าเรายังไม่ได้เอาไปเอาไปเอาไปพิสูจน์เอาไปเข้าห้องสอนเราก็ยังไม่รู้ว่ามันมันจะใช้ได้หรือไม่ที่เราพิจารณาความตายอยู่อย่างต่อเ น, นื่องแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเรายัางกลัวหรือไม่กลัวอย่างนั้นเราก็ต้องไปหาที่ตักลัวอยู่ดูว่ามันที่ตัวนั้นเรายังกลัวอยู่หรือเปล่า ถ้าเราไม่กลัวแล้วแสดงว่าเราก็ใช้ได้แล้วถ้าไปแล้วยังกลัวอยู่ว่าแสดงว่ายังยังไม่ผ่านยังไม่ทันกิเลสความกลัวนี้ก็คือกิเลสถ้าปัญญาเร็วมันก็จะดับความกลัวได้เลยกลัวอะไรกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายกลัวกลัวแล้วทุกข์ไม่กลัวก็ไม่ทุกข์จะเอาอะไรคือมันก็ต้องเอาไม่ทุกข์ใคาอยากจะทุกข์บ้าง ถ้าไม่อยากทุกก็ต้องไม่กลัวแล้วจะทำยัไรไม่กลัวไม่กลัวก็ต้องยอมตายพอยอมตายแล้วมันก็ไม่ถูกข์มันก็รู้อยู่ในใจพอมารู้แล้วว่าบอกที่ท่านสอนว่าให้ตายก่อนตายนะแบบนี้ให้เรายอมตายก่อนตายต้องยอมตายจริงๆไม่ใช่ยอมตายแต่แต่แต่แต่ว่าคิดไปเท่านี้ อย่างตอนนี้เราบอกอ้อยยอมตายได้เพราะเรายัางไม่ได้อยู่ใกล้ความตายแต่ถ้าเราไปอยู่ใกล้ความตายแล้วเราจะยอมตายได้หรือเปล่าถ้าเรายอมตายได้แล้วเราไม่ตายต่อเรากลับมาล้วก็จะอยู่อย่างเย็นอย่างสบายไม่มีความวิตกกวนราะความตา ย, ยาต่อไปแร่การปฏิบัตินี้มันก็มีหลายลักษณะม้วยกันปฏิบัติแบบอยู่ในสถานที่ปลอดภัย ยังไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤต้ก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์แท้จริงเป็นปฏิบัติในบ้านเรปฏิบัติในห้องแหงนอกจากว่าเรานั่งไปแล้วมันเกิดทุกขเวทนาแล้วเราไม่ลุกไม่ขยับอันนี้เราก็จะได้เราก็จะได้ของจริงก็คื อ, คอ ก, าการต่อสู้กับทุกเวทนาการปฏิบัติ ด, ดูเสว่าเราจะผ่านเวทนาทุกเวทนาไปได้หรือเปล่า เราจะปล่อยให้ความเจ็บปวดขางร่างกายมันเป็นไปตามเรื่องของมันโดยที่จิตใจของเราไม่มีความรู้สึกขวลกังวลกระสับกระส่ายไม่ได้คิดอยากจะให้มันหายไปหรืไม่ได้คิดอยากจะหนีจากความเจ็บปวดของหน้าการนี้ปปล่อยให้มันเป็นไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันอยู่นอกใจมันไม่ได้มาสร้างความกระทบกระเทอือนอะไรให้สับใจของเราใจเพียงแต่รับรู้ เหมือนกับเรารับรู้เสียงที่หนึ่เข้ามาสัมผัสกับหูเราเนี้ยเราก็ไม่ได้ไปมีความรู้สึกกระวนกระวานกระสับกระส่ายลําควานต้ล์รำคาญกับมันไปอย่างนี้การปฏิบัติมันจะต้องเจอของจริงๆมันถึงจะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเช่นความกลัวหนึ่งมันก็ต้องไปหาที่กลัว คามเจ็บปวดของร่างกายก็ต้องให้มันเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนั่งไปนานๆจะทำใหมันเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันหายไปเองหรือไม่หายก็ก็ช่างมันแสิ่งที่เราต้องการที่จะดับก็คือความกังวลกวายกระสับกระสายที่เกิดขึ้นในขณะที่เราเจอความเจ็บปวดของร่างกายเราก็ต้องพิจารณาใช้ตายรักว่าเวทนานี้ก็เป็นตายรักเป็แบบนอนิจจังทุก ข, งขงังอนัสสางาเหมือนกัน เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้มันจะเป็นอย่างไรถ้ามันเป็นไปมันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินในขณะนี้มันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างเสียงมันมาแล้วมันก็มันกระทบกับหูแล้วก็ไปรับไปรับรู้ในใจเวทนา ท, ที่ผ่านมาทางกายมันก็ไปรับรู้ในใจเหมือนกัน มันก็เป็นผลทัพระมาผ่านทำผ่านกับร่างกายแล้วก็เกิดเป็นความรู้สึกแฉะร้อนเย็นแข็งอ่อนอ น, นี่ก็เป็นเวทงงานาเหมือนกันก็เพียงแต่ด้วยารรับรู้ไปถ้าเราถ้าเราไม่ไปปฏิเสธเขาไม่ไปลําเกตเขามันก็ไม่เป็นปัญห า, าการของเราก็เป็นปกติเป็นธรรมดาจนุเบคาได้ด้วยปัญญา คือเราต้องยอมรับเขาอะคือเราอย่ไปกีดกำไปไปขับไล่สายส่งให้เขาไปให้หายไปนี้เราเป็นเป็นเป็นความคิดที่ผิดเป็นปัญหาเป็นเี็นวิภาวะปัญหาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาซึ่งมีความเจ็บปวดมากกว่าความทุกข์กายถ้าไม่มีความทุกข์ใจแล้วความทุกข์กายนี้จะไม่เป็นปัญหาปัญหามันอยู่ที่ความทุกข์ใจ ทุกที่เกิดจากสมุทยไปทั้นหาอยากจะให้ความเจ็บปวดนี้หายไปแล้วมันไม่หายก็ยิ่งกระวนกระวายกระตับกระสายจนในที่สุดก็จะทนนั่งนะ่ได้ก็จะนัองเปลีย่ยนวิญญาณไปแต่ถ้าพิจารณาแยกแยะจนกระทั่งมันเพลินไปเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดความเจ็บปวดส่วนใหญ่มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะใจนี้ไม่มีเวลาที่จะไปสร้างความสรางความรังเกียจสร้างความอยาก ให้มันหายไปเราต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆที่เราเราทาใจได้ในโลกนี้ทุกวันนี้บางอย่างเราก็ทาใจได้บางอย่างเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องทำใจเราต้องอยู่กับมันพอเราทำใจได้แล้วสิ่งนั้นมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเรา แล้วสิ่งน้อที่เรายังทำใจไม่ได้เช่นความเจ็บปวดของร่างกายเราก็ต้องฝึกทำไปให้ได้พยายามนั่งไปเรื่อยๆเจ็บก็พยายามพิจารณาไปเรื่อยๆว่ามันปัญหามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ความเจ็บปวดแล้วอยู่ที่ใจอยู่ที่อยู่ที่ความอยากไม่อยากของเราถ้ามันอยู่ที่ความความไม่อยากของเราเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนใจจากความไม่อยากก็เราอยากมันดูชอบมันดูจากความไม่ชอบก็ เปลนให้ชอบมันดูไม่ชอบความเจ็บปวดก็ลองเปลี่ยนนะลองชอบความเจ็บปวดดูบ้างซึ่จะเป็นงไงพอชอบแล้วมันก็สบายสิ่งไหนที่เราชอบเนี่เราก็อยู่กับมันได้ถ้าสิ่งไหนเราไม่ชอบนี่เราก็อยู่กับมันไม่ได้เนี่ยเราต้องพลิกใ จ, จของเราเหมือนกับการรับประทานอาหารสิ่งที่เราไม่ชอบรับประทา น, นมันก็เป็นอาหารเหมือนกันคนหนึ่งเขาชอบแต่เราไม่ชอบ มันเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอาหารมันอยู่ที่ใจของเราที่เราไปไม่ชอบมันเองถ้าเราไม่ชอบเราก็หดชอบมันทีืออาหารกินมันเลยด้วยกินเลยแลยวทั้งเดี๋ยวมันก็ชอบเองแต่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยกิน <bund> ข <es> ้าวเหนียวไปอยู่บ้านไปอยู่ศีษยานนายชอบมันก็กินได้เมื่อก่อนไม่เคยกินหนุ่มปลาไปอยู่นอกมันก็กินหนุ่มปลากันมันอยู่ที่การฝึกกันนั่นเอง สิ่งใดที่เราไม่ชอบพยายามขัดชอบมันเสียแล้วสิ่งไหนที่เราชอบก็พยายามหัดไม่ชอบมันเสียจิตมันจะได้ไม่ขวายคว้าทุกวันนี้เราขวายคว้าอยู่สองอย่างเนี้ขวายคว้าหาสิ่งที่เราชอบแล้วก็พยายามหนีกสิ่งที่เราไม่ชอบกันจิตของเราเลยไม่สามารถตั้งอยู่ในอุบเบกขาได้ถ้าเราฝึกฝึอยู่แบบสังโดษคือมาอย่างไรก็ได้ ร้อนก็นได้หนาก็ได้ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้สิ่งที่ชอบมาก็ได้สิ่งที่ไม่ชอบมาก็ได้พยายามรับไว้ทุกอย่างมันเหมือนกันเนะี่ยมันมาจากมันมาจากธรรมชาติเดียวกันมัมาจากดินมนตมไฟเลนะอาหารต่างๆนี้ก็มาจากิน้ำมนกไฟนี่คือการปฏิบัติที่เราจะต้อง ราต้องอะจะต้องเข้าไปให้ถึงถึงถึงความจริงบงทีเราปฏิบัตินี้มันยังไม่ถึงความจริงนี่เหมือนกับการ้อมประสอบทายยังไม่ได้ขึ้นเวทีจริงเรายังไม่ได้ไ เ, เจอของจริงเช่นความกลัวเราต้องไปเจอของที่มันกลัวจริงๆแล้วความเจ็บปวดก็ต้องนั่งให้มันเจ็บจริงๆนั่ ง, งใจแล้าไงมันหายไป มันไม่หายถ้ามันไม่หายไปอย่างน้อยใจเราก็เป็นอุปเปยขาไม่ไปกระสับกระสายไปกํางวลกับมันคือให้มันให้ความทุกข์ในใจกับความเจ็บปวดนี้มันมันหายไปมันถึงจะเห็นผลนถ้าไม่งั้นมันก็จะมันก็ยังไปไม่ถึงน่ามันยังเป็นการซ้อมมันอยู่ยังไม่ได้ออกข้างนอกจริง หมวดนี้ก็แก่เรื่องตาที่หลวงปู่มั่นท่านสอนหนูตาเนี่ว่าให้ทําจิตให้สงบในเรื่องต้นก่อนถึงน่าจะได้ยินได้ฟังทำมามากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมามันยังไม่สามารถทําลายกิเลสภายในใจของเราไนดะ้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิเรายังไม่มีความสงบพอแต่สําหรับบางคนบางทั้นถ้า อาจจะเป็นบารมีเก่าบุญเก่าเคยมีความสงบเดิมมาแล้วพอฟังก็สามารถทําลายกิเลสได้อย่างนั้นก็อีกกรณีหนึ่ ง, งนั้นจะบอกว่าไม่ต้องมีสมาธิก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มีท่าน ม, มีมีอยู่แล้วบางคนนี้เขาอาจจะมีบุญเก่านฟังทำแล้วเขาไม่ต้องมานั่งแบบตาพุโทโธพุธโทโธบังท่านปุ๊บเขาก็ตัดกิเลสภายในใจของเขาได้เลย แต่ถ้าเราฟังแล้วกิเลสก็ยังไม่ตายนี่ก็แสดงว่าเรายังไม่มีความสงบพอยังโลภยังอยากยังต้องการสิ่งนะั้นถึงนี้อยู่ก็พยายามไปทำจิตใจให้สงบให้ได้ก่อนเมื่อจิตสงบแล้วก็พิจารณาสิ่งต่งตางๆให้เห็นว่าเป็นตายลักเมื่อเห็นเป็นตายลักแล้วมันก็จะปล่อยวางได้มันก็จะไม่มันก็จะไม่อยากไม่โลไม่ต้องการถึงต่างๆ มันก็จะมีแต่ความอิ่มความพอไปตลอดฉะนั้นจะสบายไม่รู้จะเอาอะไรมาทําไมมากมายกายก่อนพอมาแล้วก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอสักทีเพราะไม่ได้ให้ให้อาหารของใจให้อาหารกับกิเลสยิ่งให้อาหารกิเลสกิเลสก็ยิ่งใหญ่ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นยิ่ ง, งโลภมากขึ้นยิ่งอยากมากขึ้นถ้าจะให้อาหารใจต้องให้สมาธิต้องให้ปัญญา ต้องให้ทานให้เสีเนเนยงถึงจะเป็นอาหารหลงใจถ้าใจได้อาหารครอบเพื่อนบริบูรนณะ์แล้วมันจะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไร น, นั่งเส้นไม่ว่าจะเป็นลาบยกสลักน้ำสดอะไรต่างๆในโลกนี้ที่คนในโลกนี้เขาบูชากันนับถือกันยกย่องกันอยากได้กันมันจะไม่มีความรู้สึในจิตใจในจิตใจนี้เขาให้อยู่กางลำพังไม่ต้องวุ่นวายท้านี้ก็พอแล้ว อันนั้นกพยานามพยาพยามทำจิตให้สนงบมีสติอยู่เรื่อยๆดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยให้มันไกลๆให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพราะมันจะทําให้จิตนีนถ้ามันอยู่กับหลายอารมณ์เนี่ยมันจะไม่มนมันจะแกว่งไปก่อนมาอยู่กับพุทโธก็พุทโธไปอยู่กับลมก็ลมไปอยู่ที่จิตเดียวอยู่ที่ที่จิตที่ลมสําคัญ หรือจะสวดมนต์ไปก่อนก็าสวดมนต์ไปให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปหรือจะพิจารณาด้วยปัญญาเลยก็ได้แต่นเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิพิจารณาดูร่างกายอาการหายไปสองไปเรื่อยๆมันก็ทําให้จิตสงบได้เรื่อยๆร่างกายานะจะถนัดเมื่อจิตสงบนิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ปล่อยให้มันนิ่งไปตอนนั้นไม่ต้องทําอะไร อย่าไปเจริญปัญญาในตอนนั้นการที่จิตสงบนิ่งอยู่นี้ป่อยให้มันนิ่งไปหมือนคนนอนหลับอย่าไปปลุกให้ขึ้นมาทํางานมันจะลาคลายจะหมุนหงิดให้มันให้นอนหลับให้พอให้จิตพักให้พอพ่าจิตมังพักพอแล้วมันจะถอนออกมาเองพอมันถอนประมามันก็จะเริ่มคิดตัวพอเริ่มคิดตัวก็อย่าปล่อยให้มันคิดเรืยตัวเหมือนเคยคิดเอาให้มันมาคิดเป็นเรื่องเป็นราวไปคิดพิจารณาร่างกายในต้นต้นพิจารณาดู ใจลักของร่างกายว่าเป็นอย่างไรมีอย่างไรพิจารณาดูให้เห็นว่าเป็นธาตุผิวพิจารณาหเห็นว่าเป็นรัศมีไม่สวยไม่งามก็จะได้ไม่หลงยึดติดกับร่างกายอย่างนั้นก็พิจารณาเวืนาเลื่นาว่ามีทุกีทุกไม่ถุกไม่ทุก ก, ก, ก, ก็ต้องปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาพิจารณาสังขารสัญญาก็เกิดดับเกิดดับ ครับพลิกตังเปล่คิดแล้วก็ดับไปแล้วก็คิดใหม่สัญญาำดำหน้าแล้วก็ดับไปแล้วก็ถึงขึ้นมาใหม่สิ่งเหล่านี้เขาไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่ใช่เราของเราเขาเป็นสภาวะธรรมขอให้รู้ทันเขาใช่ไหรู้ทันเขาก็เราก็ไม่หลงตามเขาเป็น ส, สัญญาว่าเห็นเห็นคนนั้นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชาย เราก็จะไม่หลงตามถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่าเป็นแค่ธาตุสี่ลินหน้ามือกันถงแค่ว่าเป็นแค่อาการสามสิบสองอเราวมกันแลวก็ อ, อยู่กันไปชั่วระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็รวมหายตาจากไปมั่ก็ขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเพิงกว่าจะ ถึงจุดหมายปลายทางไม่ตายไปก่อนอันนี้หัวหน้าไม่เลยมาฝังมาจะขาด ท่านทีใช้ท่านเคยบอกว่าเ้ื่อิการเจ็บปวดเวลานั่งเนี่ยจะไปคิดต่อสู้กับมันใช้ปัญญาต่อสู้คือต้องเข้าใจมันเขาเข้าใจคือการต่อสู้นี้หมายว่าเราอยากจะให้มันหายให้มันหายเราเราต้องไม่อเราต้องยอมแพ้ไม่ไปตู้มคือยอมให้มันให้มันปรากฏอยู่มันไม่อยากจะอยู่แค่ให้มันอยู่ไปเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเรา ยิ่เหมือนกับยิ่งห้ามยิ่งอยู่งยิ่งไล่มิยิ่งอยู่นานถ้าเราไม่ไปสนใจมันนะเดี๋ยวบางทีมันตห้ไปเนเรานั่งเล่นไพ่นั่งดูน่ะนั่งคืนนี่ใช่ไหมเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่มายุ่งกับเราที่แสดงว่าศึกสมาธิตัวสติเราไปจับเกี่ับสิ่งอื่นไม่ได้สนใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเราเช่นไหมเพราะสังเกตถ้าแิดว่าเรานั่งไปชั่วโมงหนึ่งมันจะเป็นจะเจ็บเส้นเอ็นละ แต่ถ้าบอกครึ่งชั่วโมงเนี่ยยัไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าพอจิตเรานิ่งดีเนี่ยชั่วโมงผ่านไปมันก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าบอกว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วจิตเราจไปที่ไหนมันก็จะยุ่งกับไอ้ความเจ็บปวดแบบนี้คือถ้ามันนิ่งมันก็ไม่ดีนะคนเก่งมันก็ไม่ได้ปัญญาคือมันได้แค่สมาธิถ้านั่งแล้วมันมันไม่นิ่งแล้วมันเกิดอาการเจ็บปวดแล้วเราใช้อาการเจ็บปวดนั้นเป็นเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดปัญญาคคือถ้ามันไม่มีปัญหามันก็ไม่มีวิธีแก้ปัญหาใช่ไหม นักก็ไม่เกิดถ้าทุกไม่มีปัญญาก็บอกเกิดเนี่ยคนนี้ถ้าอจารพูดถึงปัญญานี่เขาบอปัญญานี่มันก็มีมันมีกําลังมันเหมือนกันจนฮะปัญญามีกําลังมากกำลังน้อยถ้ามันกำลังเราน้อยอยู่พิจารณายังไงมันออกไปสัญญาหมดแล้วมันก็จะไม่ไม่ไม่ไม่จริงไม่ทันมันนนั่นหมายถึงกำลังของปัญญามันก็จะมีกําลังเหมือนกันมากน้อยใช่ไหมครับนั้นเสียงในสภา อยูไม่พอเสียงน้อยเก็เขาไม่ได้ก็ต้องพยายามพิจารณาต่อไปเพื่อจะให้ก็จะได้มีเสียงมากขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นถี่มากขึ้นมันอยู่อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นอยู่ใกล้ใจมากขึ้นบางทีเวลาต้องการปัญญามันไม่รู้อยู่ที่ไหนมันเหมือนกับเอาปืนถ้าเราไม่เอาไว้ติดกับกายเรา เวลาเกิดตั้มปืนจะต้องใช้ปืนเราไปวางไว้ที่ไหนเราจำเลยรูมว่าควักไม่ทันก็ไม่ทันถ้าจะให้มันอยู่กับเราก็ต้องอยู่ทุกใกล้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเนี่ยถ้ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจของเราพอต้องการเรียกมันต้องการเมื่อไหร่มันก็จะมาทันทีแ้วตอนนั้นแล้วมันก็จะมันก็จะใช้ ใช้ให้คกิดประยชนได้อย่างที่หลวงปู่หลวงปูช่ชอนะบ ท, ท, ท, ท, ท่านเดินจงกรมเนี้ยท่านบโดยรมพุทโธพุทโธไปท่านเดินท่านเดินทุ่งตรงกลางคือเนี่ยแล้วท่านไปเดินจ่าเอ๋เจอเสือโคร่งตนอ mm hmm. ะนั้นเจ็ดวันนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลานะอยู่กับการบริการเรื่องอะไรของท่านอย่างนั้นพอเห็นอะไรที่มันจะตื่นมันไม่ตื่นเพราะมันมีสติปัญจอยู่ พอจิตมันเห็นฟั้มันก็วูบลงไปถ้าคนไม่มีสเตนเห็นปั้มมันก็จะเตื <laughs> มันก็จะเปิดมันก็จะเว้งไอ้ตรงที่วูบไปนี่ไปจิตรวมลวงไปใช่ไหมาจารยอ่าจิตรวมลงไปอันนั้นเป็นขั้นสมาธิใช่ไหมอ่าอันั้นเป็นขั้นสมาธิอาจ <laughs> จะเป็นขั้นปัญญาด้วยแต่แล้วไม่นะแน่ แ, แล้วแต่ว่าท่านมองว่าอย่างไรถ้าสมาว่าตายเป็นตายมันก็เป็นปัญญา<ม> ได้เลยครับคือท่านก็ทิ้งกายอย่ใช่มครับทิ้งแ ล, ล้วมันรวมไปอัตโนมัติเลยกอแล้วแต่แต่ว่าท่านท่านกำหนดด้วยสติแล้วไม่ให้จิตมันตื่พอจิตไม่มีทางตื่นไปข้างนอกมันก็มันก็วุบเข้าไปข้างใ น, นเพราะอาจจะเป็นในธรรมชาติของของของจิตที่ม่นมันมันกลัวภัยมันก็จะหาที่หลบไปที่หลบไปมันก็จะเข้าไปสู่ในใ น, ในสมาธิเนี่ย อันนี้จะไม่ทราบว่าเข้าเข้าเข้าไปแบบไห น, นเข้าไปแบบสมาธิแล้วเข้าไปแบบปัญญาไม่ได้นะอาจารย์แต่ว่าเออเวลารเราปฏิบัตินี่นะคะทีนี้ช่วงที่ว่าบางครั้งเนี่ยก็จะมีสภาวะตามเธาจะรู้อะแล้วเราก็จะจพิจารณามันได้ในบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้อุเบกขาเ ข, ข้าช่วยเงี้ยคะ่ะมันสลับไปสลับมาไม่ให้ได้ปะคะอาจารย์ บคือบางบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่ว่าจะใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาได้ใช่ไหมว่ายอมรับจนจะยอมรับมันเป็นแต่บางเรื่องเนี่ยมันแบบปัญญาไม่เกิดล่ะก็เลยใช้แบบลองไช้ดูก่อนลองเชได้ก่อนเอก็ได้ก็เป็นเหมือนกับใช้สมาธิกดมันไว้ก่อนก็ได้ก็ได้่คือต้องไม่หรอคือบางทีปัญญาเราไม่ทันก็ต้องใช้สมาธิกดไว้ก่อน ก็อย่างน้อยก็ไม่ให้มันลามปางไม่ให้มันลุกลามปานไปก็ทำใจนิ่งเฉยไปก่อนแต่ข้างในมันก็ยังรู้สึกขุนขุนมัวมวอยู่ใช่มันยังไม่เบามันยังไม่โลภเพราะยังมองไม่เห็นใจรักถ้าเห็นใครักแล้วมันงอกปล่อยมันก็จะโลภมันก็จะเบาแล้วมันก็จะหมดปัญหาไปตลอดอย่างครับเรื่องนั้นถ้าถ้ากดไว้ด้วยสมาธินี่มันก็ยังเป็นจะเป็นปัญหาอยู่ มาเจอกันคราวหน้าก็ยังจะทําให้จิตใจกระเพื่อมได้ก็ต้องพยายามพิจาณาปัญญาให้เห็นใจรักในเรื่องนั้นให้ได้เพราะายรักของแต่ละเรื่องมันอาจจะไม่เหมือนกันแตถ้าเราเห็นใจรักถ้าเราเห็นว่ามันมันมันเป็นเป็นโทษมันไม่เป็นคุณเสียมันดีกว่าได้มันไม่เก็บมันไว้แต่บางทีเรายังเสียดายยังหวงอยู่ อยังไม่เห็นว่ามันเป็นคลิปเป็นภัยมากกว่าเป็นคุณเป็นประโยู่พอเราไปมองประโยชน์ทางด้านอื่นเราไปมองคุณประโยชน์ทางด้านอื่นนั้นทางด้านนอกใจแต่เราไม่เห็นโทษที่มันมีภายในใจดังนับางทีเรายังต้องการรักษาสถานาภาพของเราอยู่ตยังต้องขับรถเบนซ์อยู่เงนี้ย ทั้งที่เงินก็ไม่มีที่ จ, จ่ายรถเบนก็พยายามดิ้นโนหาเงินมาผ่อนจ่ายรถเบ้นเพื่อรักษาสถานะภาพแต่ใจของเรานี่ทุกแสนทุกกับการหาเงินมาก็รักษาสถานะภ า, ามันมีไว้รักษา ห, หน้าตาของเราไว้แตาา่แล้วมาพิจารณนว่ามันมันเรากําลังทุกเนี่ยเรากาลัลงแบกกองทุกอยู่เพราะเราไปหลงยึดติดกับสิ่งที่มันไม่จริงรองเท้าวรสิ่งที่เป็นทุกเนี่ยรถเบ้นคันนี้มันเป็นทุก มันเป็นอนิจจังมันไม่ให้ความสุขกับใจแต่ความหลงเราหลอกว่ามันให้เรามีหน้ามีตามีเกียรติบางคนก็ต้องต่อสู้ดวยนันบาดกัดตีนถีเพื่อรักษาหน้าตาไว้แต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่าเรา ม, มันทุกทรมารนี้ไปเพื่ออะไรยอมเดินดีกว่าหรือยอมขับรถที่ราคามันต่ากว่ารถเบน ไม่มีใครมองเราก็ไม่เป็นไรไม่มีใครให้เกียรติรก็ไม่เป็นไรแต่อย่างว่าเราไม่ทุกกับการที่จะต้องรักษาหน้าตา mm hmm. ่างนี้เมื่คนจนไม่ลงไงจนไม่ลง mm hmm. ลเวลาเคยรวยแล้วมันไม่อยากจะจนกลัวจะถูกคนอื่นชอบดูถูกดูแคลนก็เลยต้องทุกกับการที่จะรักษาสถานะภาพนี้กันไหมให้ได้ก็ดื่นด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ไม่ไม่ไม่แสดงว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญญาไม่เห็นไม่ปัญญาไม่เห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจไม่เห็นความทุกข์ที่กำลังปรากฏขึ้นอยู่ในใจมัวแต่จะเห็นเรื่องหน้าตาเรื่องเกลื่อนเรื่องอะไรต่างๆภายนอกเพราะเรามองมองมองมองผิดจุดกั น, น่ยคนในโลกนี้เขามองที่ลาบแล้วทะเลาสุดกัน แต่ก็ไม่เห็นความทุกในการที่จะต้องหาลาบยศสรรสุขในการที่จะรักษาลาบยศสรรสุขแลนในการที่สูญเสียมันไปมันเป็นความทุกตลอดทั้งสามขั้นตอนเลยเวลาหาก็ทุกเวลารักษามันก็ทุกเวลาเสียมันไปก็ทุกไม่เห็นกันพระพุธเจ้าท่านเห็นท่านเป็นพระราชกุมาท่านก็เห็นว่าโอเป็นราชฎกุมานี่มันลาําบากจะตาย มันก็มีคนจะคอยล้มคอยล้างอยู่คอยจ้องทำลายอยู่ใช่ไหมใครๆก็อยากจะเป็นใหญ่กันอย้งนั้นถ้าใครมีมีวิธีมีโอกาสที่จะล้มเราได้ก็ก็ต้องล้มเรามันทุกขน์นะนะต้องรักษาสถานะภาพเป็นอะไถ้าซื้ออย่าไปเป็นมันดีกว่าจะเป็นขอทานดีกว่าแต่้ายไม่มีใครมายุ่ง <S <S นี่นเรื่องหนึ่ง มันมองไม่เห็นเราเราไปมองประโยชน์ทางทางด้านทางภายนอกเราไม่เห็นโทษภายในคือภายในใจเราถ้าเราเห็นโทษภายในใจเราแล้วก็โยนทิ้งไปประโยชน์ภายนอกนี้มันนิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับโทษหรือความทุกข์ภายในใจนี่มันไม่ไม่คุ้มกันมีหน้ามีตามีมี ม, ม, มีชื่อมีเสียงแต่จิตใจนี่จะเป็นบ้าง พูกดาราเนี่ก็แบบเดียวกันนะพวกที่ดังก็้กลัวไม่ดังนะนะทั้งนั้นเนี่ยสมัยก่อนก็ดาราดังๆต้องอาศัยยาเสรติดยาระงับประสาทยากล่อมประสาทยากระตุ้นประสาท <c oughs> เพราะจิตใจมันไม่มันไม่มันไม่สงบมันไม่นิ่งเพราะมันหวั่นมันหวั่นไว้กับการกับความเสื่อมของของลาบเลือดของตน ก็เลยดำเนินชีวิตแบบแบบผิดผิดนและในปัจจุบันนี้ก็มีดารามีข่าวอยู่เลยเจ็บยาเจดบเจ็บเวลาเมาแล้วก็ขับแล้วก็ไปต้องไปมีปัญหาด้วยเราไปตามแก้หรือทำอะไรแบบหุนหันพันแล่นนึกอยากจะแต่งงานก็แต่งอยากจะยาก็ยาแล้วก็ต้องมายุ่งกับเรื่องการ อย่าล้างเรื่องสมบัต тогда, เออเิเรื่องอะไรเรื่องลูกเรื่องอะไรนวุ่นวายเลยก็ไม่ไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูที่กายเป็นหลักดู ด, ด, ดูดูที่ภายนอกดูที่ลาดยศและเสริมเป็นหลักเพราะหลงเห็นว่ามีลาดยศและเสริมแล้วจะมีความสุขาาหาไม่ว่ากำลังวิ่งเข้าสู่กองไฟ เหมือนแมงเม่าที่ยินเข้าสู่กองไฟเห็นแสงสว่างของกองไฟก็คิดว่ามันมันมันสว่างสวยมันดีก็อยากเข้าใกล้พอบินเข้าใกล้ก็ถูกไฟทําร้อนกองไฟนั้นทาร์ า, ายเลยเราก็เห็นแสงสว่างของลา ด, ดยุสันลักษณ์สึกว่าโอ้แค่เรามีแล้วเราจะมีความสุขเรากะวิเศษ พอมีแล้วก็ใจมีกุ้มออ ก, กุ้มใจนิ่วายอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็เหมือนยาเสพติดนะพอมันติดแล้วมันมันก็ถอนออกยากนอกจากคนที่ฉลาดจริงๆถึงจะทําได้มีใครบ้างที่จะทําอย่างพระพุทธเจ้าได้เนียแต่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครทําได้ กายเป็นอะไรแล้วมีแต่อยากจะกาะติดกับตําแหน่งนั้นให้นานที่สุดไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการเกอะกับตําแหน่งนี้น้อยน้อมันทุกขนาดไหนบางที่ที่ถามว่าใช้ปัญญาบางที่ใช้ปัญญาแล้วมันมันมันยังไม่มองไม่ชัดยังตัดไม่ได้อย่างน้อยก็ใช้ทํำใจให้เป็นอุเบกขาไปก่อนก็ได้ ทัใจหนึ่งเเดี๋ยวไปยินดียินด้ายกันไปตั้าแต่ปัญญาจะเกิดได้ง่าย้า่รามีพื้นฐานทางสมาธิที่มั่นคงใช่ไหมคะจะเียนแล้ไหมคือปัญญานี้มันขึ้นอยู่กับความสามารถในการที่จะคิดตามหลักของเหตุผลบองคน ม, มีสมาธิแล้วก็ไม่ก้าวไปทางปัญญาเลยก็มี เพราะพิจารณาไม่เป็นเพราะไม่ได้รับการอบรมในอดีตไม่ได้ถูกสอนให้คิดตามเหตุตามผลบางคนก็จะช้ามีสมาธิอื่นก็้าใแต่ไปช้าแต่บางคนที่เคยได้รับการฝึออกฝนอบรมให้คิดตามหลักของเหตุผลอยู่แล้วเช่นพวกคนที่เก่นทางด้านวิทยาศาสตร์เขาคิดทางด้านปรัญญาตามหลักเหตุผล ถ้าเกิดเข้ามามาศึกษาทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ทําจิตให้สงบได้เนี่ยเขาจะไปได้เลยวเขาก็จะพิจารณาเห็นไตรลักษได้ได้อย่างรวดเร็วแต่คนที่ไม่เคยพิจารณาแยกแยะอะไรเลยเนยะเห็นอะไรก็จะเห็น น, น้เห็นต้นไม้ก็จะเห็นต้นไม้ไม่รู้ว่าต้นไม้มันมาม า, มาจากอะไรมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร แต่ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ก็จะวิเคราะห์ไปที่ต้นเหตุเลยว่าอ๋อมันมาจากมเมล็ดที่ใส่ลงไปในดินเมื่อดินได้นยา ม, มันก็ค่อยๆเริ่มงอกงามขึ้นมามีแดดได้มีลมมีอากาศเขาไปจะสร้งางเห็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นระบบไปเลแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อมันจ ะ, จะเจริญเ ต, บติบโตไปถึงระยะหนึ่งแล้วเมันก็มันก็ตายไปนี่เรื่องของปัญญาจะต้องเห็นถึง เ, เห็นทั้ง เห็นทุกขั้นตอนของของสิ่งของของวัตถุนั้นของสิ่งนั้นจะได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราไปไปรักไปชอบอันนี้เราก็จะมีความไม่สบายใจถ้าเราถูกต้นไม้ราคาแพงๆเนี่ยเราก็เราก็จะเป็นห่วงเวลาเราไปไหนที่ไม่อยู่ในบ้านกลัวจะมีขโมยมาขาโมยไปหรือเา ท, ที่บางทีบังสมัยก็มีต้นไม้ที่เราเอาเล่นกันไนงะแล้วราคาเแพงๆซื้อมาเล่นกับเขานะแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ามันก็เป็นแค่ดินน้ําลมไฟแค่นั้นแนหะมันเป็นสมมุตริราคาไี่เป็นสมมติทฤษฎีมันไม่มีราคาของที่กสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟที่มนุษย์เรามาสมมุติกันขึ้นมาให้มันมีราคา นั้นการการที่ว่ามีสมาธิแล้วจะไปทกเร็วทางปัน ญ, ญาโดยอัตโนมัตินี้ก็ไม่ใช่บางคนก็ไปเร็วบางคนก็ไปไม่เร็วบางคนก็ไปติดในสมาธิ ก, ก็ก็มีหรือไปหลงในสมาธิที่ไม่ถูกก็มีอย่างที่คทิ้ง แ, แก้วนี่ก็ไปหลงติดในสมาธิใ น, นมิตต่างๆนนเนี่ยก็โชคดีที่มีอาจารย์คอยเตือนมีหลวงตาคอยเตือนคอยห้ามไม่ให้ไป ไปไปยินดีไปติดอยู่กับในนิสิตต่างๆให้ทาสมาธิให้จิตสงบอย่าไปดูอย่าไปเห็นอะไรถ้ามันจะไปดูเห็นอะไรก็อย่าไปตามมันดึงมันกลับเข้ามาหนึ่งมันกลับเข้ามาสู่ความสงบแล้วเมื่อออกจากความสงบก็สอนให้พิจารณาร่างกายสอนให้พิจารณาอย่างไรถึงจะเป็นอนิจจังก็สอนดูว่ามันคนเราเกิดมาแล้วมันเยอก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่เป็นคนตายไปตายไปแล้วทิ้งไว้ในป่าชา้าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆบุกสลายหายไปหมดมันก็ถึงจะเห็นว่ามันเป็นอนิจจ์ปัญญานี้บางทีก็ต้องอาศัยถ้าเราคิ้ดพิจารณาไม่เป็นก็ต้องอาศัยอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วท่านรู้จักวิธีพิจารณาท่านก็นจะสอนวิธีพิจารณาให้ ประโยชน์ของคูบอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้ถ้าบางองค์ท่านไม่ไม่ชำนาญท่านก็จะไม่สามารถสอนได้อย่างละเอียดท่านก็จะพูดแบบรวมๆอยู่ที่คนสั่งที่จะเอาไปขยให้ความอรู้ที่เราจะแบบบางครั้งเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราขนาดมากกว่าะอะไทีจะทำให้เร พิจารณาเรื่องนี้แค่ให้เร็วขึ้นจึิงๆแล้วจะไม่เสียเวลามากนะคะเราจะรู้ตัวเองได้หรอครคงไม่รู้มืันก็นต้องลองทําไป<า>ต้องลอ<า>ง <ไป S 2> ทำต้องลอ<ะ>งทำไปดูแต่เรื่องของปัญญามันก็อยู่ที่ดูความไม่เที่ยงดูการดูการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ ต, ต่างๆ<อ>แล้วก็ดูว่ามันไม่มีตัวตนนั่นละ แล้วก็ดูว่ามันให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไปยึดไปติดกับเขาถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ไม่ยินดีไม่ยึดไม่ติดในต้องการสรุปว่าถ้าคิดทางด้นปัญญาก็คือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามให้สรุปลงที่ตายรักหมดเลย ม, มันต้องเห็นตายรักเหมือนจะปล่อยวางได้ เห็นเห็นอย่างนี้เห็นอย่างว่าเป็นเพกระดาษเป็นท่าขึ้นน้ำลงไปเห็นความจริงของมันไม่ได้เห็นสมมุติ มมนหเดคือเดร้อนเวราะความอยากไม่ใช่เดือดร้อนเพรอะไรหละถ้าคนเราลดความอยากได้มันก็มันก็จะลดความเดือดร้อนลงไปได้ที่ส่วนใหญ่เราไปอยากกับตุ้นต่างๆเข้าเพราเราเป็นหลวงว่ามันให้ความสุขกับเรามันก็เลยเดือดร้อนกัน เช่นเราต้องมีรถเนี่ยเราคิดว่ามีรถแล้วเราจะมีความสุขเราจะไปไหนมาไหนได้สะดวกรถเดียวสบายแต่เราไม่คิดว่าทําไมเราไม่เราเราอยู่แบบไม่แค่รถเดียวคก็เราอย า, อยากไปไหนถ้าอยาง ก, ก็ไม่ต้องใช้รถลนะอ ย, อยู่บ้านเฉยๆ อ, อย่างเดียวไม่ต้องไปไหนก็ไม่ต้องใช้รถม่ไมใช่รถก็ไม่ต้องมีปัญหากับการขอนรถ ไม่มีปัญหากับการเติมน้ำมันลงเพราะมันทุกข์เพราะาคาถ่านเนี่เราไม่เห็นความทุกข์ในรถเนี่ยเราท่าน ท, ที่เห็นว่ามันทุกข์เราจับเห็นว่ามันสุขที่บอกว่ามีวิชาทิฏฐิเห็นความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์พร อ, อาจารยถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเวลาเราก็ต้องอยู่กับพระเนี่ย อยู่แบบครบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็ไม่มีรถท่านจะไปไหนท่านก็เดินไปในตนที่ท่านเคยเล่าว่าท่านเดินจากวัดส่าล้านปาไปอุดรเลย น, นะสมัยก่อนสมัยที่สร้างสร้างวัดใหม่ๆเช้าถ้าท่านมีกระสุจะเข้าไปในมือง่านฉันเสร็จท่านก็เดินไป วัีไปวัดอุดวัดอุดมสมพรไนมอสิบกว่ากิโลครับจากวัดแต่ท่านมีทางลัดเนี่ยท่านไม่ต้องเดินออกปาทางทางนันมันมีหมู่บ้านทางหมู่บ้านที่มันเชื่อมเชื่อมกันไปัก่อนถ้าเวลาท่านไปทุดงท่านก็บองทีหลปู่ม่านท่านอยู่อยู่หมู่บ้านนี้ท่าไปทุดที่หนึ่งท่านมีปัญหาอยากจะมากราบเงินถางหลวปู่ม่านพอท่านสังเสร็จเช้าท่านก็เดินมา มาถึงก็ประมาณทิ้งเพียงหรือใบๆเลยรอเลาะรอปู Beij ่บ้านท่านเมันท่านว่างท่านจะเข้าไปกราบมาสะสมบารมีนะสมบารมีเส็อท่าน็เดินกลับท่านก็ถือว่าการเดินเป็นการภาวนากานเดินจนกลไปเลื่กความปายเดินจนกลมแล้วอถึงแล้วจะไม่เดินมาที่วัดหรือเดินไปที่อุบลเวลาที่อยู่ที่พักท่านก็เดินจนกลมทั้งวันท เงินที่เราสองสามเท่วโมงนี้กป็นเรื่องธรรมดาทัา้งการเงินทัน้งนี้เราสา ม, มารถอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งพาย่อมากมาย ก, กายกองแต่เราไม่มีปัญญากันเราเราเราไปถือความหลงให้เห็นว่าเป็นความสุขกันมสนนีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แลาจะมีความสุขกันเราก็มีกันมากมาย ก็เลยทุกกันมากมายเดือดร้อนกันมากมายทุกวันเพราะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายนี่เป็นอยู่ไม่ได้หรเพียงปัจจัยสีย่แค่นี้อยู่ไม่ได้คือถ้าเป็นคารวาสก็ก็ต้องตำหนิจะให้เหมือนกับพระร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ได้เพราะพระนี่ท่านมีผู้สนับสนุนทางด้านปัจจัยสี่ แต่ถ้ามีคารวะเราก็มีความจําเป็นก็หาเท่าที่จําเป็นสิคหาในสิ่งที่มันจําเป็นเท่านั้นสิ่งที่มันไม่จําเป็นก็อย่าไปหาเหมืนเช่นครอบครัวนี้ก็มันจําเป็นนะครับมีภรรยา น, นี้ก็มันจําเป็นใครยังโสดอยู่ฟังเลยนะถ้าทํางานธรมารกินก็หาเพื่อเรื่องตาเรื่องกอง ไมได้หาเงินมาเพื่อจะไปเที่ยวเพื่อเพื่อจะไป <c oughs> เพื่อไปซื้อของต่างๆ <c oughs> ซื้อเครื่องบันเทิ ง, งต่างๆ <c oughs> มาดูมาฟัง <c oughs> มันหมดไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไร <c oughs> แต่มันจะติดมันอยากจะได้ใหม่อยู่เรื่อยซื้อกล้องรุ่นีแล้วเดี๋ยวก็มีกล้องรุ่นใหม่ก็เช่ ผมเพิ่งซื้อรุ่นใหม่เอี่ยมมาเนี่ยเมื่อเราซื้อเราก็ต้องหาเงินแล้วก็ต้องไปทํางานเมื่อเราไปทํางานแล้วก็ต้องไปทุกกับที่ทํางานเนี่ถูกเขาสั่งถูกเขาใช้ถูกเขาว่าก็โตต่อบเขาไม่ได้เขาต้องการเงินของเขานะ เพราะความอยากความอยากความโลกมันพาให้เราต้องไปทุกข์ทรมารย์ mm hmm. ถ้าเรานั่งน้อยสันโดษแล้วเราจะเป็นอิจระแล้วไม่มีใครมาเป็นเจ้าหนายเราสิ่งของจาเป็นที่ในสมัยนี้คนทั่วไปก็เข้าใจว่าไอ้โทรศัพท์มือถือมันของจาเป็นในชีวิตประจำวันไปแล้วนั่นสมัยก่อนก็ไม่มีนะ mm hmm. mm hmm. รถยนต์ก็จาเปน็นการที่ไม่มีก็ไม okay. mm ่จาเป็น พอเราใช้ชีวิตแบบนี้มันก็จําเป็นแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบแบบโบราณมันก็ไม่จําเป็นเนี่ยเราก็เลือกได้ที่จะใช้ชีวิตแบบไหนอันนี้ก็เป็นปัญญาอย่างถ้ารู้จักคิดแต่เราไม่ค่อยคิดกัน <c oughs> เน่ยมันจะไหไปตามกระแสไปตามสังคมเพราะเราถูกเครื่องสอนกฎตอท่านมึงก็สอนเราแล้วให้เรามีอะไรเนี่ย โฆษณาขายของต่างๆขายรถขายบ้านขายแอรขายอะไรมันมันมันเที่ยมสอนเราอยู่ตลอดเลยเราเราถูกมันสอนอยู่ตลอดเลยเรเราก็เลยโหนถูกกระแสของทั้งโลกพาไปทิ้งร้าแล้วก็ถอนถอนตัวออกยากเพราะมันเหมือนติดยาเสพติดถอนมันติดความสุขแล้วมันก็ก็ก็ถ อ, อ, อ, อ, อนยาก เป็นคนที่จะเข้าวัดบ้างจะอยู่วัดอยู่กับทั้งคมที่ก็อยู่แบบเรียกง่ายจะอยู่วัดถ้าอาจอรารย์ถุยนานๆอยู่ทักพรรษาหนึ่งสางเดือนให้มันซึมซากับไปในจิตในใจมัน mm hmm. ก่อนก็บอกมันก่อนมีคนมาเล่าว่าเขาจะอยู่วัดแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนอีกโลกหนึ่งเขามรู้สึกในที่ต่างๆมันเปนเลี่ย น, น, น, นไปหมดเลย เพราะว่ามันไม่ได้สัมผัสกับสิ่งเดิมๆที่วัดก็มม่มีเทวรัศน์ไมีอะไรดูคอยมาคอยกระตุ้นให้เกิดนําลายอยากได้สิ่งนั้นจริงนี้อยากไปไปที่นั่นไปที่นี้อย่างนี้บางอย่าู่ในวัดบางทีไม่รู้ไม่รู้วันรู้เดือนรู้ซ้ำแปลว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเพราะทุกวันมันก็เหมือนกันมีหน้าที่เหมือนกันย่าแต่งงานันก็เตรียนหาอาหารทำอาหารรับประทานหรือถวายพระเมืออะไรก็ตาม แต่แล้วก็ภาวนาทิ เ, ออเตอร์กำหนดดูจิตดูจพิจารณาขนาันท่ามันก็อยู่แต่ในในวงวงนึงเมื่อ จ, จิตอยู่ในวงนี้ใเรื่องต่งงานที่เคยมาเกี่ยวข้งองกนะับเราในสมัยที่เราอยู่ที่บ้านมังก็จะไม่มันก็จะไม่มาปรอดๆอยู่ในใจของเราแล้วก็จะรีไว้ความจริงเราก็อยูแบบอยนะย่แบบนี้ก็อยู่ได้ชีวิตแบบนี้ก็อยู่ได้ชีวิตที่ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้แล้วมีความสุขมากกว่าที่ไราทาไป มีความทุกน้อยมากน้อยกว่าไม่มีความกังวลไม่มีความวุ่นวายใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องวิตกกังวลกับเรื่องอะไรเรื่องที่จะต้องเผชนญก็เตรียนตัวรับอีู่แลเรื่องความแก่เรื่องความแก่เรื่องความตายก็เตรียนอยู่แล้วถ้าเป็นคนที่อยู่บนเครื่องบินก็มีชูชีพไม่ต้องกลัวอะไรเห็นเวลาก็เราเรากระโดดออกมาได้น คนที่มีปัญญานี่เหมือนมีถุงชีวิตเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่จะไม่รู้สึกนี้ตกกลางวันจะไม่มากระทบกับจิตใจเพราะแยากจิตออกจากกายได้รู้ว่าจิตตัวที่วุ่นวายนี่มันไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายตัวที่แก่ที่เจ็บที่ตายมันไม่รู้เรื่องร่างกายมันไม่รู้ว่ามันแก่มันเจ็บมันตายแต่ตัวจิตที่มาครอบครองว่าเป็นตัวเราของเรานี่ยมันไปนหลงว่าเป็นตัวเราของเรา แล้วพอร่างกายเป็นอะไรมันก็คิดว่ามันเป็นตายต่างร่างกายแต่จิตนี่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ตายมันมีกิเลสที่ไปทําให้เกิดมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปไปเรื่ อ, ๆอยๆนีน้แต่ตัวจิตเองนี่มันตั้งแต่เด็กกำบันมาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็เป็นธาตรู้อยู่อย่างนั้นนี่ก็รู้อยู่อย่างนั้ น, น, นแต่มีความหลงมาหลอกมาสร้างอารมณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นใครกูใ จิตนี้ถ้าเปรียบเยนไอกับเหมือนท้องฟ้าที่ว่างไม่มีอะไรส่วนอารมณ์ต่างๆก็เหมือนเมฆเหมือนหมอกเหมือนอะไรถ ท, ที่มันลอยอยู่ในท้องฟ้าถ้ากำจัดมันออกไปหมดแล้วมันก็จะว่างเมือนท้องฟ้าว่างไม่มีเมฆไม่มีลอย ไ, ไม่มีอารมณ์กับอะไรไม่ดื้อไม่อย่างไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นความว่างนี่แหละที่เราเป็นความสุขความมังศุขอย่างปวามมังศุขขัง พอมียาแล้วมันจะเกิดความหิวขึ้นมาพอมีกิเลสแล้วมันก็เกิดความอยากความหิวความอการทลางขึ้นราพอการจัดกิเลสหมดสึ้นไปจิตมันก็ว่างจิตบริสุทิ์มันก็ไม่มีความอยากไม่มีความโลภไม่มีความโกรธนี่คืองานที่แท้จริงของเราคืองานที่ทําจิตของเราให้ว่างทำจิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไม่มีทางอื่นทางนี้ทางเดียวนัที่จะแล้วก็อย่าไปต่อรองว่าให้มันง่ายให้มันเร็วให้มันมันแล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนถ้าบำเพ็ญมามากมันก็ง่ายมันก็เร็วถ้าบำเพ็ญมาน้อยมันก็ช้ามันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนผลลไม้อะ ต้นไม้ที่มันออกลูกมาผลไม้แต่ลูกมันมีความเจริญพัฒนาต่างกันลูกที่มันกล้าจะสุกงอมแล้วไม่นานก็จะหลุดจากขั้วลูกที่ยังเพิ่งโผอมมาเนี่มันก็ต้องใช้เวลาบ่มมันไปหน่อเลี้ยงมันไปเรื่อยๆให้อาหารไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มันก็เติบใหญ่ขึ้นมาเองแล้วไม่มีทางรัดหรอกมันครัางนี้มัน ไม่เย่แบบหาทางกดปุ่มซ้ําแล้วก็บรรลุได้เลยบางคนก็คิดว่ารอให้รอให้เจอพระสีอานดีกว่าได้ฟังธรรมจากพระโอรสแล้วจะได้ได้บรรลุทันทีทันใดถ้ามันไม่มีมันไม่มันไม่มีปัญญาที่จะรับมันก็ไม่มีทางที่จะบรรลุได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะลองรับสิ่งที่พระเจ้าจะสอนให้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ เราต้องพยายามบำเพ็ญบิณฑารมีไปเรื่อยๆจะพบหน้าชาติหน้าได้ไปเจอพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็จะได้บรรลุทำในขณะที่ทําเลนก็ได้ถ้าไม่ได้บรรลุในชาตินี้แต่ถ้าบรรลุในชาตินี้ได้ก็รีบก็ควรก็จะดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานกับการเยียนไหวาตายเกิด ต้องพยายามปลุกกระตุ้นความความความกระตือรือร้นให้เกิดขึ้นภายในยจิตใจพยายามกระตุ้นสันทะวิริยะให้เกิดขึ้นที่ทีหนึ่งก็คือมองว่าเวลาของเราเหลือน้อยลงไปทุกวั น, เ ว, เ, นวเวลาที่เหลือน้อยแล้วเวลาที่เหลือน้อยี้ก็ไม่รู้จะมีเวลาว่างหรือเปล่าบางทีก็ไปติดภารกิจอย่างอื่น แังเวลาใดที่มีเวลาว่างอย่าอย่าปล่อยให้มันผ่านไปให้ได้ทำดีให้ได้รักษาสิลให้ได้บำเป็นตวนาให้ได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าฟังมาพอแล้วมันลืมได้นะพอฟังแล้วมันลืมได้เพราะว่าเราไปคิดเรื่องอื่นทำเรื่องอื่นนี่มันก็มากบเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังไปถ้าจะไม่ให้ลืมเราต้องคิดอยู่เรื่อยๆ สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องคิดอดยู่เรื่อยๆมันเป็จะไม่ดีถ้าเราไม่คิดเราก็ควรจะปอยฟังนี้ได้พราะเมื่อฟังแล้วมันก็จะได้มีอะไรกระตุ้นให้เราให้เราเกิดฉันทะกับวิริยะขึ้นมาที่จะปฏิบัตินะอย่าปล่อยให้วันเวลามนันผ่านไปผ่านไปอะไรที่เราไม่ได้ มันได้บําเพ็ญธรรมะเลยร้ามีเวลาคือถ้ามีเวลาว่างจากภารกิจการงานอย่างอื่นก็อย่าปล่อยให้มันให้มันผ่านไปมีโอกาสก็ไปอยู่วัดเพื่อมันจะได้ได้ไปเร็วขึ้นถ้าอยากจะไปเร็วก็นเนี่ยไปไปอยู่วัด น, นานๆแต่ถ้าอยู่บ้านนี่มันมันยาก เพนามันไปัจจัยเสริมไม่ค่อยมีมีแต่ปัจจัย่วงมีอะไรเนี่ยมาของต่กันแล้วกันเนี่ยเพื่อนทขาฝากมาถามมา เขาเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะก็อบอกว่าจะรู้ความแตกต่างระหว่างการรู้กับการคิดยังไงคือเราคิดอะไรแล้วเราเรื่องจนความคิดก็เป็นความคิดแล้วส่วนความรู้ก็คือการรับรู้ความคิดอีกทีใช่ไถ้าแปลตามจับคือเราเราคิดอะไรเราเรื่องต่างแต่เราคิดแล้วเราไม่รู้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติ แบบเข้ากับคิดมากอะค่ะหมายถึงว่าเวลาปฏิบัติแล้วมันจะคุ้มสร้างเยอะเขาก็บอกว่าให้แบบอ่านหนังสือเขาบอกว่าให้รู้อยู่กับตัวอยู่กับใจหรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>เขาก็เลยสร้างสรรค์ว่าอันไหนคือตัวรู้อันไหนคือการคิดเอคือตัวรู้เหมือนคนดูเหมือนตัวที่มีนเหมนตัวแสดงเที่ว่าให้รู้ก็คือให้ให้คอยดูตัวแสดงดูความคิดว่ากําลังคิดไปในทางไหน คิดไปในทางธรรมะแล้วคิดไปในทางกิเลสถ้าคิดไปในทางธรรมะก็ส่งเสริมเช่นท่านก็มาคิดว่าเกิดมาแล้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เป็นความคิดทางธรรมะก็ส่งเสริมและคิดอยู่เรื่อยๆถ้าคิดอยากสวยอยากงามอยากจนอยู่เป็นนานๆก็บอกว่านี่เป็นความคิดทางกิเลสให้ระงับความคิดนเสียเอาใจนะคือธรรมารู้ก็ให้มีสติดูใจ ให้ดูใจว่าใจเรากำลังคิดไปในทางธรรมะและคิดไปในทางกิเลส<ม>คิดไปในทางมรรคและคิดไปในทางสมุทยัย<ม>ถ้าคิดถึงเรื่องการสร้างฐานะครอบครัวสร้างสร้างอะไรต่างๆ<ม>ทางโลกนี่เรียกว่าเป็นเป็นเรื่องของกิเลสอย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดัดให้คิดตัดให้ละให้ลดให้ให้ละ ให้ออกบวชอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างเงี้ยักษณะคิดไปในทางธรรมคือให้มีสติคอยเข้าดูความคิดของเรา<ม>แล้วถ้าเราบังคับให้มันคิดได้ยิง่งดีไง<ม>ก็อย่าไปเข้าดูเฉยเอย่าปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องตามเราของมันดึงมันมาคิดในเรื่องที่ควรจะคิดเขาเพิดเริ่มทำเขาพยายามจะทําให้แบบมีสติหรือว่า เป็นสมาธิพยายามจะทําพอทําแล้วทําไม่ได้ก็มอหมือก็ ว, วิธีดีที่สุดก็คือให้คิดคําว่าพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยให้รู้อยู่กับคําว่าพุโทโธไปเรื่อยถ้าอยากจะทําจิตให้สงบเมื่อเขาคิดแต่คําว่าพุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามถึงแม้เขาอาจจะคิดเรื่องอื่นไปด้วยในขณะที่เขาต้องทํำงานนั้นก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยให้มีพุทโธคอยกํากับเป็นเหมือนกับเป็นรั้วเป็นกรอบไหม เพื่อเราจะได้รู้ว่าขณะนี้เรายังอยู่กับพุโทโธหรือเปล่าหรือเราเป็นคิดเรื่องอยู่แล้วถ้าอยู่กับพุโทโธถึงแม้มันจะไปคิดอะไรอื่นพอรู้รอบก้อนนึงมักลับมาที่พุโทโธได้คือเราเอาความคิดพุโทโธนี้เป็นความคิดหลักยส่วนส่วนความคิดอย่างอื่นถือว่าเป็นความคิดรองที่ที่คิดไปตามตามสภาพตามความจำเป็นเช่นเราจะรับประทานอาหารแล้วก็ต้องคิดจะไปกินอะไรดีจะไปกินที่ไหนก็เคิดได้ คิดเสร็จแล้วก็พุโทโธต่อไปพุโทโธต่อไปอยปล่อยให้มันเลื่อยเปลืย่ยคิดไปยาวเหยน็นเกินความจําเป็นคิดเท่าที่จําเป็นกับเรื่องที่เราจะต้องทําในปัจจุบันแล้วถ้าจะไม่แล้วพอคิดเสร็จแล้วก็ให้กลับมาหาที่พุโทโธให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆ mm hmm. ถ้มีพุโทโธอยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านมันก็ยังไม่ได้คิดกังวลเกี่ยวกับ เรื่องน้ำมันเรื่องค่าเช่าบ้านเรื่องอะไรต่างๆทุกวันนี้ของมันแพงขึ้นทุกวันเดี๋ยวต้องขึ้นหมดอ่ะเดี๋ยวค่าเช่าบ้านก็ขึ้นเดี๋ยวค่าอะไรต่างๆก็ขึ้นตามกันหขึ้นก็ขึ้นเลยมันก็เงินเดือนมันก็ขึ้นตามอยู่ดีอหรือวิธีที่จะดีที่สุดก็คือเมื่อมันขึ้นเราก็ลดเราก็ลดลงใช่ให้มันน้อยลงถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆแล้มันก็จะลดได้ง่าย มันจะไม่มีโอกาสจะไปคิดใช่เงิในใช่ทองแต่ถ้าไม่มีพุทโธเดี๋ยมันก็คิดลาจะไปไหนดีจะไปขั้นตอนค่าเดี๋ยวทำกแต่ไปนิดนึงสมสมุติว่าเอี๋ที่ท่านใจบอกว่ า, าการชนะจิตใจให้ให้ให้รู้สึกขึ้นไปเนี่ยสมมุติว่ามีแบบสีขั้นอย่า ง, งนะคะหนถึงสี่ขั้นที่สี่สุดที่สุดที่สุดเลข้างที่หนึ่ง การสำระจิตใจมีนแท่นี้การ น, นั่งสมาธิหรือว่าออกนั่งสัญญาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะยีดถือตรงนั้น มันก็มีสิทธิ์ที่จะต่ำออกไปหรือสูงขึ้นไปได้ใช่ไหมคะแล้าจิทธตที่จะมีกิเลสเข้ามากระทบอะไรอย่างนี้นไม่ได้อยู่ที่หนึ่งแล้วจะค่อยๆขึ้นไปก็มีสิทธิ์ตกมาเป็นศูนได้เหมือนกันก็มันอยู่ในขั้นสมาธินี่มันมีขึ้นลงได้แต่ถ้ามันอยู่ในขั้นปัญญาแล้วถ้าอยู่ขั้นไหนแล้วมันจะไม่โดนแต่สมาธินี่มีสิทธิ์เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่เข้าในขั้นปัญญาเหมือนกับที่ท่านพูดว่าเข้ากระแสอย่างไรก็คือจะรูกอย่างไรใช่ไหมคะ เพราะปัญญามันเป็นกำจัดความหลงแล้ความหลงมันถูกกำจัดแล้วมันจะไม่พืนกลับขึ้นมาอีกแต่ความหลงมันก็มีหลายขั้นไงขั้นของพระระยะมันมีอยู่สี่ขั้นความหลงมันก็มีอยู่ในสี่ระดับแต่ถึงว่าถ้าถ้าแก้ความหลงขั้นแรกได้แล้วมันก็จะไม่กลับขึ้นมมันจะไม่ตกต่ำงไปอะไรเงี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าขั้นสมาธิที่มันมันมันจะเลื่อได้มเสื่อมได้ พอเราทำสมาธิมันก็สงบพอวันไหนเราขี้เกียจเราไปดูหนังไปเล่นไปเที่ยวมันก็มันก็ไม่สงบก็จะโดดองไรอีกมันก็จะมันก็จะเกิดกิเลสออกมามมกเพนท่านได้มากกว่าเดิ ม, มแล้วอย่างสมมุติว่าสูชาตินี้นะคะเราบําเพ็ญไปสมาธิวันลได้ประมาณแค่เนี้ย ระดับที่แบบว่าศูนย์ครึ่งนเี้ยจะเข้าไป็นีชาตินั่นคือมาเกิดอีกไอศูนย์ครึ่งนี่ยังอยู่กับเราไม่ได้แล้วเราก็ค่อยๆไปแต่ก็อาจจะมืดตรงไาอีกแล้วก็ไปต่อยอดคือก็คือไม่ได้ศูนหายไปอะไรที่อยู่ในจิตมันก็อยู่กับจิตลัหายกัวไัีเรนมันก็ไม่หายนะไม่ยิ่งกลัวว่าอาจารย์เก็บเบพผลผลไม้ค่อยๆสุกใช่ไหมครับ ตัวมันจะร่วงซะก่อนนะมันไม่ได้ไปถึงสุกก็ทีโดนี้ก็ต้องมีฐานของสมาธิตั้งม้านก่อนฝึกหาสมาธิต้องให้หตั้งบ้านต้องให้แน่นหนาก่อนจำเป็นมากเลยเพราะเวลาจะพิจารณาทางปัญญานี่มันจะต้องยัทําอย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีสมาธินี่มันจะมีอารมณ์มาคอยฉุดรากจิตให้ไปคิดเรื่องอื่นพิจารณาเรื่องนี้ได้แค่สองสา นาทีแล้ไม่ถึงก็มีเรื่องอื่นมาฉุดไปล่ะเผอไปล่ะคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปล่ะนั่นก็จะมันก็จะปัญญามันก็จะไม่อยู่คู่กับใจไปตลอดแต่ถ้าเราสามารถพิจารณาไดกระทั่งมันอยู่ไปตลอดนะั่นคืเราจะไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรลนะ่ะเพราะเราจะต้องการมันเมื่อไหร่มันจะขึ้นมาทันทีเหมือนกับเราสะสมสะเสบียงสะสมพลกำลังพลไว้พร้อมนละ่ะ ถ้าเสร็จจะมาตอนไหนก็ไม่เป็นไรแต่ตอนที่เรากำลังสะสมกำลังพลอยู่นี้ถ้าค่าเสร็จมาเรายังจะสู้เขาไม่ได้ดงั้นการเจริญปัญญาก็เป็นการสะสมพลังของปัญญานี้ให้มันมีครบร้อยในระดับนั้นเมื่อมีครบร้อยแล้วเราก็เราก็เราก็สบานใจหรือถ้ามันมีเหตุการณ์เราก็เราก็รู้ว่าเราสามารถที่จะจัดการกับเหตุการณ์นั้นได้ ท่าอาจารย์ค่ะแบบว่าเคยง่วงนอนมากค่ะแล้วขับรถเนี่ยก็เลยสั่งจิตว่ากายง่วงจิตไม่ง่วงค่ะแล้วขับได้เป็นชั่วโมงคือคื อ, ค, อคือแยกเหมือนเราแยกจิตแยกกายมาแล้วก็ขับไดแ้แบบมีสติคือเอาเอาตัวจิตที่ขับตลอดทาง ท, งที่กายมันไม่ให้แล้วค่ะแล้วก็เคยเข้าห้องประชุมก็เหมือนกันเจ อ, อแปลว่าคือช่วงนั้นจิตเราแข็งขึ้นใช่ไหมคะสติเรา เราเดึงจิตไม่ให้ไม่ให้อ่อนตามกับความวุ่นวายของร่างกายได้ที่ฉันเดอร์มีทางวงการแพทย์เขบอกว่าถ้าเกิดเราก็เสียอายุไปแล้วนี่เราไม่ทํางานแล้วถ้าเกิดสมองเราไม่ฝึกฝนไม่ได้อะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเป็นคนที่หลงที่ลืมใช่ไหมครัเพราะว่าเราเคยใช้สมองทํางานการนี้ก็เลยมาเทียบว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่ทำงานแล้วเนี่ยหมายถึงนนทั้งร่างไม่ทําแล้วแต่ว่าการภาวนาการพิจารณา ตามอัดตามทำเนี่ยอืมมันจะจะช่วยให้สมองเราไม่เสื่อมได้นหมครับได้ไดใช่ไหมครับมัก็เป็นการทํางานของสมองเหมือนกันแล้วจิต <c oughs> ทำงานแล้วจิตมันก็ต้องใช้สมองอมันก็จะมีสมองมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะมันยังเกี่ยวข้องกับท้องควบรูปเสียงกิน่นแลสัตว์ผ้าอมันก็ต้องผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับสมองอื แล้วก็จะส่งต่อไปที่จิตอีกทีมันก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างหลวงตาเห็นไหมถ้าอยู่งก้าวถึงห้าท่านยังไม่หลงไม่เลวไม่อะไรเพราะว่าท่านใช้ใช้ใช้จิตอยู่ลตลอดเลวลาในการพิาจารณาว่าจายเมื้อง่ายไม่ได้อยู่เฉยๆถึงแม้ท่าอยู่ตามลาพังท่านท่านก็ จ, จะพิจารณาทางของท่านไปอืสําลับกับการพักจิตอื ก็เห็นเพื่อนบางคนที่ก็เสียอยู่แล้วบางคนก็ไปทํานู่นทำนี่อะไรเนี่ยฮะเพื่อให้มันมีอะไรทําเพื่อจะได้ไม่ไม่ทำเล่นคอสวดเล่นตัวเลขอะไรทั้งนองเนี่ยเพื่อจะให้สมองใช้งานเราะบางทีก็อยู่เฉยๆบางทีก็จะเม่ารอยค่ะแต่ถ้าเราพิจารณาหลักอัตถธรรมอยู่ตลอดเวลาสมองก็ถูกกระตุ้นในการใช้งานอยู่เสมอแล้วจะได้ประโยชน์มากกว่านะคร แยิ่งอยู่ยิ่งแก่มก็ยิ่งทรมานนะเพราะร่างการมันก็อยู่เพื่อภาวนาอาจารย์ไม่เป็นไร น, นะนนพระพุทธจเจ้าจะงามแค่แต่สุดเลยอย่าคิดอยู่ยาวเลยนอจกอจากไม่ได้อยู่เองก็ถ้ามันเป็นบุญของเราหรือยังเป็นกรรมของเราที่จะต้องอยู่ยาวก็ก็อยู่ไปอย่างมีประโยชน์ก็แล้วกันอยู่อย่างมีความสุข แต่ถ้ามันถึงเวลามันจะไปตอนไหนก็ให้มันไปเถอะไปเสียได้เลยจะได้ไม่ทุกข์ถ้าเสียได้แล้วมันจะทุกข์ไอ้่ที่ปูกเป็นต้นไเมืองนี่มันก่อนที่ไปงานที่101ร้อยเอ็ดเนี่ยลูกสิลูกหาก็ภาวนาภาวนาขอหลวงตาไว้ร้อยี่สิบปีฮร้ยี่สิบปี ไม่รู้ลูกสิษย์จะอยู่ท่านท่านหรือเปล่าไม่จะไปก่อนท่านตอไม่ขอให้สักสองร้อยไปเลยตอ ไ, ได้ถึงร้อยยี่สิบก็จะขอต่อยแต่ก็มีคนหนกว่าไม่มีใครบอกพอแล้วร้อยยี่สิบไปได้แล้วไม่มีพอถึงร้อยยี่สิบก็จะขอต่อยไม่มีที่ที่สุดหรอก เตรีมตีลู้สิษก็ไปรักษาทหารท่านองค์ท่านเองนั่นท่านพร้อมจะไปทุกเวลาใช่คือก็เมื่อก่อนที่จะมาทําโครงการช่วยชานี้ท่านก็เตรียมสร้างเมรุนะครับจิตใจของลูกศิษย์กับจิตใจของอาจารย์นี่เหมือนกันอาจารย์ก็พร้อมจะไปแล้วลูกศิษย์ก็ขอให้อยู่ไปนิดนึง มันเป็นธรรมชาติของกิเละที่อยากจะให้อยู่ไปนานๆเพราะท่านสร้างคุณประโยชน์ได้มากเลยครับให้ก็เราทำไมเ้าไม่มาทำแทนท่านงมันยังไม่ผิดอกเลยฮะหรือว่าจะเป็นรูปัะดอกยังไม่ออกเลยครับ เรื่อตัวเมือ่อไร่หอกลูกันจะแก่นแล้วก่อนตกล่ว ง, งเรื่องหรอทำส่วนของเราเจอทําให้มากๆไว้ส่วนของท่านจะเป็นอย่างไรเราก็รับรู้ไปก็แล้วกันเพราะความจริงความอยากของเราก็ไม่สามารถไ ป, ป, ไปเปลี่ยนแปลงอะไร ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเป็นเรงธรรมดาไ ม, มไม่มีอะไรที่จะต้องตืินเต้นไม่มีอะไรที่ต้องเสียออกเสียใจเดี๋ยวระหว่างที่ท่านท่านก็ทํำหลายสิ่งที่ทําให้ญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ทราบว่ามีครูบาอาจารย์องค์ไหนบ้างที่เป็นที่พึ่งพาสายได้นะครับ เราก็ด้น้องรับทำปฏิบัติตามควาจริงสิ่งที่สมคัญที่สุดก็คือตัวเรามากกว่ายังต้องต้องดูที่ตัวเราเป็นหลัก อยู่ที่การปฏิบัติของเราเป็นขอให้เราทุ่มเทให้มากๆกับการปฏิบัติสำหับเรื่องเื่นก็พอทําไปตามการําเพิตามจัดใจแล้วกันเมื่องในงา น, นยืงแต่ย้ายก็ไปแต่ถ้ากําลังเข้าได้เข้าเข้มกับการปฏิบัติจะผ่านไปก็ได้เพราะว่าบางทีงานงา น, นยืงนี่มันจะไปทํารายงานที่มันละเอียดกว่า งานที่มันดีกว่าเราต้องขึ้นขึ้นชั้นจากป .1 ก็ต้องขึ้นป .2 อ .2 ก็ต้องขึ้นป .3 ไม่ใช่จะไปแต่งงานบุญอย่างเดียวจะเหรียนซ้ำชั้นไม่่อยต่ ง, งานภาวนานเลยอยู่วัดภาวนานกันตังงนะ้งเนี่ย ลองคิดลองวางแผนอจะได้อยู่วัดพอนาสักสามวันเจ็ดวันเปนเดืเอนเป็นราชการยังลาได้ดไดนีลาบวชได้นหมผะไปเคุณดื่มผมไปมาแล้วก็ห้าวันนะอหลังจากกระจุขม่ามามาก็ไปพอนานลาบวชนี้ก็ให้บวชลาได้เก้าสิบวัน <c oughs> ลาได้ภรษานึ่งน <c oughs> ่าจะเอาเอาสิทที่นะ กว่าจะเขียนก็สามเดือนนี้ก็พอลาหัวแล้วได้เงินเดือนได้ใช่ไหมสามเดือนนี้ได้ก่อนแล้วได้ภาวนาได้สองอย่างได้ได้ทั้งเงินได้ทั้งได้ทั้งธรรมะเนี่ยโอ้โหหายาดนะน่าจะช่วยโอกาสนั้นเนี่ยมันติดของเราแท้แท้ คือสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าคือการบวชนี้ถ้าบวชเรทาทำได้ไม่ดีเนี่ยเกรงว่าจะติดลบทานอาารเพราะว่าพระวิ น, นัยเรารู้ยิ่งรู้มากเหรอ ย, ยิ่งยิ่งยิ่งต้องระวังแลถ้าบวชเราคิดว่าเราทําไม่ได้นี่คงจะแสดงว่าเรายังไม่พร้อมยังไม่พร้มมอมน่าเสียดายอันนี้ดูใจเสพ แ ต, แต่สิ่งที่ท่านารยพูดนี้ผมผมคิดมาหลายปีแล้วเพราะปีสุดท้ายของการทํางานเนี่ยมันมันลาได้แล้วไม่ต้องไปทําเลยอีกเลยเคยคิดถ้าเคยคิดไม่ตัดสินใจนเลยแต่ก็ดีแหละที่ว่าเราเราเป็นคนที่ค่าๆว่ายอมรับความจริงเนี่ยเรา เ, เราไม่อยากจะไปทําในสิ่งที่จะทําให้เกิดความเสียหายมากขึ้นถ้าเราคิดว่าเราจะไม่พร้อมจะไม่ควรทํา ตัว อ, อย่างเราก่อนที่เราจะบวชนี้เราก็ทดสอบตัวเราเองอยู่ปีหนึงน่งเหมือนกันถ้าเรายังไม่แน่ใจเราก็ไม่กล้าบวชนี่เหมือนกันแต่เมื่อเราแน่ใจแล้วเราก็เราก็บวชเนี่ยก็การบรวชนี่เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุด ข, ของชีวติตเลยก็ว่าได้แต่งา ง, งานนียงง่ายแต่ร่างนี่ยงง่ายแต่การบรวชนี่ยาก ถ้ามาบวอยู่ชาวบ้านเข้า 5, วันเจ็ดวันนี้นี่นม่ยากเลยฮะบวเจ้าดีนี่มันยากรากระบวนการปฏิบัติได้เหมือนกับพระรูปอื่นเขาปฏิบัติกันง่ายที่ผมเคยฟังทกตอาจารย์พูดถึงคำถึงที่ยังใช่อยู่ทุกวันนี้คือ ก, การจะจะจิงสุก่อนหามานะแล้วไม่พร้อมเอา่าพึพ่งไปข้ามขั้นตอนไม่ได้ช่วงที่ เราตรัดสินใจจะตรวจนั่นน่าจะเวลาที่ท่นานอาจารย์ภาวนาแล้วญญาาจิตสงบร่วงเงินแล้วมีปัญญาไหมคะ้อนนั้นที่จรณาปัญญามันก็มันก็พิจารณาไปเรื่อยๆเดินตามแนวของสติปัฏฐานอยู่บางไยงก็พิจารณากายเรื่อยๆแล้วก็เ ว, เวทเนาก็นั่งพยายามนั่งให้มันผ่านไปให้ได้ เราก็ละ ง, งับต่อสู้กับความอยากที่มางทีพอเราเผยมันก็จะทําให้เรารู้สึกหมึกลิบอยากจะไปเล่นไปเที่ยวบ้างเราจะต้องพยายามต่อสู้กับความรู้สึกอย่างนั้นเ <c oughs> พราะมันไม่ได้ตอนนั้นมันไม่สมาธิมันไม่ได้แบบต่อเนื่องตลอดเวลาช่วงที่เป็นมีสมาธิมันก็สบายพอมันไม่มีสมาธิจิตมันก็เริ่มคิึกคุ้มแต่มันก็อยากจะออกไปหาแสงสีเสียงบ้าง ดังนั้นมันก็รู้สึกหงกดหงิดเท้าส้อยหัวเหียวตอนนั้นก็ต้อ ง, ต, ง, ต, งตั้งสติต้องพิจารณาทาเรื่องนั่งสมาธิทาำจิตให้ัหมบถ้าปล่อยปล่อยให้มันอยู่ยเฉยๆมันก็ยืดปูนอยงมันก็จะ ย, ย, ยริ่มจะยืดทุ้งซ่านเท้าสร้อยหัเหี่วอย่ายงาก็ต้องต่อสู้กัมันไปเรื่อยๆพยายามทําให้มันมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าทำแบบว่าไม่มีไม่มีเวลาว่างเลยให้จิตไปคิดเรื่องอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เลยได้มันก็มันก็เป็นเรื่อ้าวหน้าไปให้เรือยๆ <c oughs> ถ้าไม่เดินจงกลอก็นั่งสมาธิถ้าไม่นั่งสมาธิก็ฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะสลับกันไปอย่างนี้หรือ <c oughs> ไม่เชนนั้นก็ทำกิบที่เราต้องทำ ถ้าเป็นคาราว่าต้องกว่าถือบ้านกวปาถือไปชักปัางนะรักไปทำกับข้าวรับประทานเน่าจะทำไปแต่ให้มีสติอยู่กับกิจกรรมนั้นๆอย่าไปคิดเรื่องอื่นพอเสจกิตแล้วก็เดินตรงกรมต่อนั่งสมาธิตาหลับกันไปอย่าอย่านั่งเหมอรอคิดถึงนดี พี่วานมันจะทำให้รู้สึกเศร้าสอยห่อยอย่า ง, างคิดถึงเพื่อนสูงแต่มันก็อดเผอไม่ได้ครัเผอไม่ได้หมือนก็อดแล้วก็นั่งฝันคิดถึงแล้วก็ะจายแล้วรู้สึกเราไม่รู้ทำอะไรอย่างนี้พอได้สติก็ต้องรีบนั่งสมาธิเลยเรื่อยตงกลมควบคุมจิตไม่ให้ไ้ ไม่ให้เธอเจอ้าคิดเผเจ้าไม่ให้ เ, เ ห, หนื่อยลอยแต่มันมีอ่ะมันมีช่วงของมันเพราะว่าสติเรายังไม่ต่อแนอ่เวลาที่เราเผลอปั๊บนีกิเลสมันก็จะมาคิดมาพาไปคิดแล้วถ้าไม่ทันนี้มันก็จะทุกข์ทรมานใจดีกว่าจะดึงกลับเข้าไปนั่งสมาธิได้ก็โหเหมือนกับ มันก็บลากต้องลากกันอย่างแรงอไรอย่างเงี้ยกลับมาได้มันยังอยากจะออกไปอยากจะไปดูแสงสีเสียงเนี่ยมันมันก็ต้องทรามานเป็นธรรมดาแหละแต่มันก็ไม่ไม่ไม่เลวด้ายอะมันเป็นความทรามานที่ให้ผลดีต่อมา เมื่อมันมันผ่านไปแล้วมันก็เหน้นกับพน้พนพ้นพ้นอะไรนะพ้นเหยื่อมาพนอุ้งของของมารไปหลุดจากความความความควบคุมของจิตเดชได้ยังมือแขนตัสบายไม่มีอะไรมารัควนจิตใจไม่มีอะไรมาคอยหลอกมารอ่อให้หลงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นกับสิ่งนี้ อยู่เฉยๆจะมีการศึก เ, เป็นรางวัลที่คุ้มค่าหลังจากบวกแล้วมืออกมาประเทศอื่นเลือยำมีน้อยนะไม่วก็เยอเพราะอยู่อยู่กับครูบาอาจารย์แล้วมันมีภารกิจทำอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แล้วตอนนั้นก็บุกบุกกิเลยแทนที่จะปล่อยให้มันบุกเราเราบุกมันด้วยการเอาทหารยนี้ อ, อ, อาหารนี่กิเลสมันจะถอยงี้เลยธรรมดาถ้าไม่อดอาหารนี่บางทีเย็นๆยังคิดถึงอาหารอยังคิดอาหารยังจะรับประทานอาหารแต่พอเริ่มอดอาหารแล้วมันจะไม่ได้กินละเพราเวลาอดอาหารนี่มันจะจะอยู่เฉยไม่ได้มันจะต้องภาวน า, าอยู่ตลอดเวลาเพอพอเพราะไม่ถ้าไม่ได้ภาวนาปับป๊บจิตมันจะปูงคิดถึงเรื่องอาหารทันที มันจะหิวขึ้นมารเนแต่ถ้าเรานั่งสมาธิไปยืนจงกรมไปเนี่ก็จะสนบลงความคิดเรื่องอาหารทะไามันก็หายไปแล้วได้ยู่ใน้ฟังธรรมะอยู่ด้วยได้รับการกระตุ้นจากครูบาอาจารย์มันก็มีกำลังจิตกำลังใจมืนก็ได้เติมน้ำมันได้เติมน้ำมันชนิดพิเศษเลย ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันธรรมดาทครั้งที่ฟังเท่ฟังธําแล้วกลับมานี่มันมีกำลังใจเดินังกลมได้หลายชั่วโมงไม่ง่วงเห้วเอานอนพอสักสองสามวันผ่านไปมันก็พักผ่อยได้ใครกันจึงเรียกต้นถึงคอยเรียกประชุมอยู่เรื่อยๆเพระฉะนั้นสี่ห้าวันท่านจะเรียกประชุมคั้งสี่ห้าวันครั้ง เราต้องมาสี่ห้าวันครั้งอ๋อฟังเราฟังฟังทุกวันทุกจังการเจอกับเวทนาทุกวันทุกวันเขจะพยายามเจอกับมันทุกวันจนกว่าที่จะเคยชินกับมันตลอดเวลาไม่หอีกนี้มันเอจำเลยว่าทุกวันต้องเจอกับม้าเอาอย่างนี้ดีกว่า่แตจนกว่าจะได้เงือบเรมหาเรื่อที่ข้างนึ่งอย่าหอีกนี้นี้มัน ตัของที่ได้มาคือ ้วฟังเทศสารปีนีที่ว่านะอยู่อะไรบางได้ค่ะได้จริงวะจริงค่ะที่ใส่ดีขึ้นสาสิเปลี่ยนไปเยอะนะแงในชีวิตเปนไปเยอะมากยอมรับปัญาเขึ้นเที่ยวน้อยลเี่ยวน้อยกชา้ซื้อของก็น้อยเข้าวัน้อยคอยจะทำอะไรก็เลยขนมาจากอะก็ยังทาบ้าง เ่อามทุกง่อยลงทุกง่อยลงทีหลังไม่มีพูดถึงเรื่องเรื่องลูกเลยฮะไม่มีแล้วหยิ่งลูกเขาไม่อยู่แล้วลูกเขาจะดีดีขึ้นไหคะเรียนเรียนดีด้วยจริงเขาดีขึ้นเพราะเราไม่ไปยุ่งของเขามากใช่ไ่ะ บางที่าทเขาสอเขาเขามีปฏิกิริยา่อนพวกเรายิ่งห่างยิ่งยุ่งที่นี่เขาเชี่ยวขอคำถามค่านผู้ัวรู้นี่ออกมาจิตจิตจ like right. ิตเป็นกู้รู้ใช่ไหมคะคือตัวรู้เนี่ย ถ้าใช้คำแปลบางทีฉนก็เรียกว่าใจในบางทีก็เรียกว่าจิตแต่บางคนก็ว่าจิตนี่เป็นอีกตัวหนึ่งจากใจแต่ความจริงนี้มันก็ตัวใจแหละนนมะโน ม, โ น, มโนก็คือใจนี่มโนนี่มันก็จะมีอาการต่างๆภายในในในมโนก็คือเราก็เรียกว่าเป็นเป็น เป็นญมามาทํเเนนาเชอเกียรตนากัญญาขันขาญญาขั้นความเข้าใจของเรื่องก็ ค, คือว่าจิตเป็นผู้คิดและจิตก็เป็นผู้รู้แต่ว่าจิตสามารถทํางานได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นในขณะที่เราคิดเนี่ยเราจะไม่รู้แต่พอเรารู้นี่คือเราหยุดคิดแล้วแล้วเรากลับมารู้ว่าเราคิดอะไรนี่พอใชไห ม, รไมเราต้องรู้ถึงเราถึงจะคิดได้ะและ้วกำลังคิดอะไรเราต้องรู้ดีตอนนี้กำลังคิดอะไร แต่ดดท่านคิ ด, คดท่านรูนี้พี่ออกมาจากจิตเลเจ้าค่ะมันภาษาสมมุติเนี่ยมันมั น, ม, นมันก็พูดไปได้หลายหลายหลายหลากหลายแต่ความจริงเนี่ยตัวจิตตัวใจนี้่รู้ธานรู้เนี่ยก็คือตัวรู้และในตัวรู้นี่ก็มีความคิดปรุงแต่งเรียกว่าสังขารมีสัญญาความจําได้นะรู้ มีวิญญาณการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสปุถพะที่ผ่านมาทางตาหูจมูก น, นิ้วมาแล้วก็มีเวทนาที่เกิดขึ้นมามีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งหมดนี้มันก็อยู่ภายในจิตภายในใจนี้ใเราอย่าไปอย่าไปกังวลกับคำว่าจิตเป็นผู้คิดนิจใจเป็นผู้คือจิตกระจายมันตัวเดียวกันมันทั้งคิดมันทั้งรู้ จริง ม, มันจะรู้ทันหรือรู้ไม่ทันกั้ล่ะเนีรู้ดีรู้ชั่วหรือรู้รู้ไม่แค่นั้นเองมีหลายครั้งที่เองยืง น, ยนล้างจานอยู่ก็ก็ก็รู้สึกว่าตัวเองกําลังล้างจานอยู่แต่แต่ก็รู้ว่าวเองก็กําลังคิดอยู่ด้วยแล้วก็รู้ว่าวเองรู้อยู่ด้วยมันเหมือนสามอย่างเกิดพร้อมกันก็ใช่เลยก็ <c oughs> <ช>มันก็กําลังทำสามอย่างตัวรู้ก็รู้อยู่ตัวคิดก็คิดอยู่ตัวทำก็ทําอยู่ อะไสงสัยตามว่าเอ๊ะรู้กับคิดนี่มันสามารถเกิดพร้อมกันได้หรือเปล่ารู้มันรูู้นี่มันไม่ดับรู้มันรู้อยู่ตลอดเวลารู้นี่มันเหมือนกับทองฟ้ามันมีอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาส่วนความคิดนี่มันเหมือนกับเมฆบอกที่มันพัดมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปนกเวนว่าเราเราคิดซจนเราลืมรู้ไปแล้วไม่นคือสติหลงไปแล้วใช่ไหมคือตัวรู้นี่ทำยังไงมันก็ไม่ดับ เพียงแต่ว่าจะมีสติรับรู้ในเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นในในจิตหรือเปล่าแต่ตัวรู้มีอยู่แต่ตัวที่จะเชื่อมตัวรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าตัวสติถ้าไม่มีสตินี้ก็เหมือนกับว่าไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเหมือนคนที่ไม่มีสติเขาก็ยังมีตัวรู้อยู่เขาก็ยังมีตัวคิดอยู่แต่เมื่อมีตัวเชื่อมระหว่างตัวคิดกับตัวตัวรู้ ทำให้คิดอะไรไปแล้วทำอะไรไปโดยที่ไม่รู้สึกตัว mm hmm. คนเมาเล่าอย่างเงี้ยทำอะไรไปตัวเองก็คิดตัวเองก็รู้อยู่แต่มันไม่รู้พอที่จะรู้ว่ากำลังทำอะไรทีว่าเหตุการณ์ผ่านไปแล้วพอหายเมาแล้วถามว่ารู้ป่าวคุณทำอะไรบ้างไม่รู้เรื่องเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับไปมันก็มีตัวรู้อยู่มันก็มีตัวคิดอยู่แต่ตัวสตินี่มันไม่ค่อยมี เราบางทีพอตื่นขึ้นมาปั๊บเราลืมไปเลยว่าเมื่อกี้กําลังฝันเรื่องอะไรอยู่แต่ในขณะที่ฝันเรารู้ใช่ไหมฝันว่ากําลังทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ไปนู่นมานี่เยแต่พอตื่นขึ้นมาปั๊บหายไปเลยเพราะว่าตัวเชื่อมคือตัวสติครับตัวเหตุการณ์นั้นมันมันมันมันไม่มันไม่แรงพอที่จะทําให้มันพอตื่นขึ้นมาแล้วมันยังติดอยู่กับใจได้ ฉะนั้นก็อย่าไปสนใจมันว่าว่ามันมีสติแลว้วก็รู้อยู่แล้วกันให้รู้อยู่แค่ว่าเป็นกิเลสเรือไม่ท่าน<ม>ั้นพอแล้วอย่าอืนรู้ไปก็ทน่านนั้นไม่ไม่สำคัญเหมือนกับคุณขับรถเนี่ยคุณไม่ต้องไปรู้ว่าในเครื่องอเครื่องอเครื่องมีอะไรบ้างะจะมีเครื่องยนตกี่สูบจะเป็นแบบนอนหรือแบบตั้งอ่จะใช้น้ำมันอะไรไม่สําคัญอ่ะ ขอให้คนรู้ที่ดูปุญแจว่าสตาร์ทเครื่องได้แล้ว <c oughs> ออกรถได้หยุดมันได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ก็พอละ <c oughs> แต่เรื่องเหล่านี้มันรู้ไว้ก็เป็นเับเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นปัญญาเสริมบรารมีไป <c oughs> แต่ความรู้จำเป็นจริงๆที่ต้องรู้ก็คือรู้ในในในส ม, มุทยกับกับมรรทั้งนั้นเองรู้ว่าขณะนี้จิต คิดไปในทางมั่งเลยคิดไปในทางสมุทรไทย ม, ม, มันสำคัญอยู่ตรงนี้ถ้าคิดไปในทางสมุทรไทยก็ต้องรีบดับมันเสียเพราะมันเป็นเหมือนกาลังจุดไฟเผาบ้านเราเราเป็นยามขอให้เราเฝ้าอยู่ตรงนั้นอนระือตรงที่ว่ามีมีใครจะมาแอบจุดไฟเผาบ้านเรารู้ักถ้าใครจะจุดไฟเผาบ้านเราเราก็ต้องรู้ว่าน้าดับไฟอยู่ตรงไหนเราก็รีบเอาน้ามาดับไฟทั้งนั้นเอง แค่รู้อยู่แค่นี้แล้วก็หมดปัญหาไปถ้าบอกว่าที่ก็จะรอนตัวรูกตัวรูกคือมันก็จะรู้อยู่อย่างนั้นก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเพราะฉะนั้นเพราะปีชาติแล้วก็จะรู้อยู่ตรงนั้นจะไม่มีวันลงไปไม่ตัวลูกเพียงแต่ลู้เฉยๆแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วตัวรู้ตัวที่รู้ดีรู้ชั่วเรียกว่าปัญญาต้องรับการสั่งสอนถึงจะรู้เลิะ ลอดได้รับการใค่าควรพิจารณาด้วยเห็นด้วยผลฉะนั้นบางคนไม่มีใครสั่งสอนแต่คิดเองได้ mm hmm. คิดว่าอ๋อทาอย่างนี้แล้วเกิดอย่างนี้ขึ้นมา mm hmm. อท า, างนี้ก็แสดงว่าการทําแบบนี้ไม่ดีฉะนั้นแล้วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา mm hmm. ก, มก็มีพระพุทธเจ้านั้นที่จะเห็นภาะริยะสั้นได้ด้วยตนเองแต่พวกเรานี้ไม่มีปัญญาระดับที่จะคิดเห็นว่าอ๋อเราคิดแบบนี้เราสร้างความทุกข์ให้กับเราเราไม่ <c oughs> เรามองไม่เห็นเราไม่มีปัญญาที่จะเห็นได้ เรามีใจเหมือนพระพุทธเจ้าแต่เราไม่มีปัญญาที่จะมาแยกแยะความคิดของเราว่าเรากําลังคิดไปในทางที่จะสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ให้กับเราเรื่องตัวรู้ก็เป็นตัวกลางแต่ปัญญาเราสร้างเอาเองใช่ไหมคะใช่ตัวรู้มันเป็นธรรมชาติของมันเหอไม่กับน้ํามันก็เป็นน้าอยู่อย่างนั้แต่เราจะเอาน้านี่ไปใส่อะไรเข้าไปนะใส่สีใส่กิ่นใส่รถใส่อะไรเข้าไปอีกทีนึ่ แต่น้ำตัวรู้มันก็ยังเป็นน้ําอยู่แล้วเราก็ยังไอต้ตัวตัวรู้ก็ยังเป็นตัวรู้อยู่น้าก็ยังเป็นน้ําอยู่ไอสิ่งที่มันเข้าไปนั้นมันก็เป็นเพลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปภายในจิตนะความคิดต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปความรู้สึกนึกคิดเวทนามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปมันก็เหลือแต่ตัวรูว้อยู่หนึ่งแต่ปัญหาคือไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ยอมอยู่เนี่ยแล้วมันเราคิดปรุงอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเราทําสมาธิแล้วจิตสงบครับไอตัวคิดปรุงในทางมัญหายนป่มก็เหลือแต่ตัวรู้นะที่เรียกว่าสักแต่ก็รู้อยู่มันก็ว่ า, อางอย่าง น, งานั้นใช่ไหมก็อย่างนั้นแหะก็นี่คือที่สุดแล้วก็ชั่วขณะที่มันเป็นสมาธิกันเองแต่พอมันออกมาก็มันก็เริ่มคิดตัวมันก็จะคิดไปได้สองทางคิดไปในทางมากแล้วคิดไปในทางสมุทัยทีนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะไม่รู้เราก็จะคิดไปในทางสมุทัยเป็นส่วนใหญ่คิดห่วงคิดหวงคิดรัก คิดชอบอย่านี้เป็นไปทางทางสมุ ท, ทัยตรงนั้นเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเรามีพระพุทธเจ้ามามาตัดทั้งรู้เราสอนว่าเราอย่าไปคิดแบบนั้นเราคิดปล่อยคิดวางคิดลดคิดละอันนี้แล้วเราก็จะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราตัวรู้ก็ยังอยู่อย่างนั้นตัวรู้เป็นเหมือนสนามลบแล้วเป็นเหมือนกับจอจอภาพส่วนภาพที่ปรากฏขึ้นบนจอนี้มันเป็นไปได้หลายแบบ เมื่อเรามีจอโทรทัศน์นี่นเปิดช่องนี้ก็มีหนังตลกเปิดช่องนี้ก็เป็นการเงินเปิดช่องนี้ก็เป็นเป็นหลายการอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่จอมันก็ยังเป็นจอเหมือนเดิมตัวรู้นี่ก็เป็นตัวรู้อย่างเดิมอยู่ที่ว่าไอ้ตัวที่ผลิตรายการขึ้นมามันให้ตัวรู้รับรู้เนี่ยมันผลิตรายการดีหรือไม่ดีมันผลิตความสุขและผลิตภัวา์ทุก มันก็อยู่ตรงตัวสังขารกับสัญญาสัญญาก็คือความรู้ที่ได้รับตาจมาเป็นความรู้ที่ถูกตามความจริงหรือไม่ถ้าเป็นสัญญาว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างนี้มันก็เป็นเป็นเป็นความรู้ที่ผิดไม่ตรงกับความจริงถ้ามันเป็นเป็นความรู้ที่เกิดจากว่ามันเป็นเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟมันเป็นไตรลอย่างนี้มันก็เป็นความรู้จริง ถ้ามีความรู้อย่างงั้นสอนใจให้คิดไปในแนวนั้นมันก็จะคิดปล่อยวางไม่คิดไม่ยึดติดแต่ถ้าคิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็จะยึดติดนั่นก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาใจก็เป็นผู้รับความทุกข์นเนเี่ยรับความทุกข์รับความสุขตัวใจมันก็เป็นตัวรู้อยู่งนั้นตลอดเวนาแต่ตัวที่ทํางานนี่เราเรียกว่าตัวจิตตัวจิตก็มีอยู่สี่มันก็มีสองตข์เป็นหลักก็วเวทนาสัญญา อะไรกันนะอสัญญาสังขารกับวิญญาณวิญญาณก็รับรูปเข้ามาพอรับรูปเข้ามาสัญญาณก็มาแปลความหมายว่าเป็นรูปอะไรเป็นหญิงเป็นชายดีหรือชั่วแต่มันเป็นความรู้ทางสมมติไม่ใช่เป็นความรู้ทางทางสัญญาที่แท้จริงมันก็ทำให้เราหลงติดเช่นเห็นทองก็บอกโอ้ดีนี่ก็หลงลนะเป็นความเป็นสัญญาที่ไม่ถูกตามความจริง เราไปมองเห็นว่าทองมีคา่ามีราคาแต่ถ้ามองด้วยปัญญามันก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเหมือนกับก้อนเหมือนกับเหล็กแท่งหนึ่งมันก็เป็นวัตถุเหมือนกันนี่มันต่างกันตรง น, น, นี้เองต่างตรงที่สัญญาของเรานี้มันถูกตามความจริงหรือไม่ซึ่งสัญญาเราไม่ถูกมันตรงข้ามกับความจริงมันเห็นเห็นเห็นเห็น e สิ่งที่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เ็นทุกข์ ก็เป็นสุขเห็น mm hmm. สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนไม่เคือสัญญาของพวกเราที่มันถูกโปรแกรมมาติดอยู่กับใจตลอดเวลามันก็เลยยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆพระพุทธเจ้าที่นํามาสอนว่าไม่ใช่นี่เป็นความเข้าใจผิดความหลงผิดความจริงนั้นไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงในโลกนี้ไม่มีอะไรจีรังถาอ่อาจารย์ hmm. mm hmm. mm hmm. ตัววิ ญ, ญญาณนี่ต้องมีตัวสังขามกับสัญญาณเข้ามารวมอยด้วยเสมนคะคือมันทำต่างหน้าที่เห็นไหวิญ ญ, ญาณมันทะทำหน้ญญญาที่ก็ต่อเมื่อมีการการสัมผัสของตากับกับรูปอย่างนี้พอตาเห็นรูปมันก็จะมีการมีการเชื่อมต่อกันยังมัตัสัญญาต้องมารับรู้ก่อนรับสัญญาณ น, นี้ไปเข้าไปในจิตทีนึงเป็นตัวเชื่อมเ<พ>ชื่อม เชื่อมจากตามาสู่จิตก็คือตัวตัวสัญญาณนีเป็นตัวรับสัญญาณเมื่อรับมาแล้วตัวสัญญาตัวไอตัววิญญาณมันตัวรับสัญญาณรับรูปมาจากตาทีหนึ่งเมื่อรับมาแล้วก็สัญญาก็มามามาวิเคราะห์ว่าเป็นรูปอะไรรูปหญิงรูปชายเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นคนที่จะมาให้เงินเราเนี้ยถ้าเป็นเจ้าหนี้ก็เตรียมถอยละ สังขารก็ปรุงแล้วไอ้เจ้านี่มารับนีดีกว่าสังขารก็ปรุงแล้วถ้าเป็นคนจะเอเงินมาให้ก็อ้อซ่อนรับเขาอย่างดีเลยก็<ม><ม>เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมามันยินดียินร้ายตามสัญญาที่เราถูกสอนมามเราถูกสอนว่านี่ดีนะอะนี่เป็นเพชรน ะ, ะดีนะอแต่แล้วไม่เคถูกสอนว่ามีเพชรแล้วมันอันตรายนะอาจจะถูกตัดนิ้วได้น ะ, อ, ะ<ม>อาจจะถูกโจนป้นโจนที่โจนข้าวเราไดนะ้ถ้ามีเพชร เราไม่ได้เราไม่ได้ถูกสานมาอย่างนั้นเพราะถูกสอนว่าดีต้องรีบเอาไว้ก่อนทุกอย่างมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษดังนั้นสัญญาก็เหมือนช่องทางเอทางสถานีวิทยุเชื่อมต่อ <c oughs> แล้วไอ้ตัวที่เรารับภาพก็เหมือนเนจอทีวีใช่ไหมคะ อ, อย่างนั้นใช่ไห ม, มสัญญาที่ช่องทางที่เรามองไม่เห็นแล้วก็มาแตกเป็นภาพวิ ญ, ญญาณจะ เ, เหมือนตัวรับรับสัญญาณมาแล้วก็มามา มาให้มันปาากฏที่หนจอภาพใหญแล้วก็มีมี ม, มีมีคนภาคหนังมาภาคว่าอันี้อ้นี้เป็นผู้หญิงนะนี่เป็นผู้ชายนะแล้วก็มีคนมาบอกว่าอย่างนี้นถ้าควรจะทำยังไงกับสิ่งนี้ดีควรจะควรจะรีบค้าเข้ามาหรือรีบรีบีบหนีหรือยอมทิ้งไปเช่นเกิดงูมันหน่นมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันจะเกิดขันยาขึ้นมาไอ้งู <c oughs> งู ก็พอเกิดงูฝ้ามันกเกิดความตกใจมันก็เกิดเวทนาทุกแล้วเพราะมันถูกต่อห้างงูไม่ดีงูมันพิษเป็นอันตรายมันก็เกิดทุกเวทนาแล้วมันก็อยากจะหนีทานทีก็ขี้กัโดดดีกว่าหรือถ้ามีอะไรตีมันได้ก็ตีมันเลยเนี้ยมันก็จะเป็นไปอย่างรวดเด็วความรู้ทั้งสามอย่างนี้มันเกิดแต่ละขนาดแต่ว่าคิดกันมากเลยใช่นี่ มันวมันเป็นไปโดยอัตโนมัติอ่ะถ้ามันนักดาบผ้าหลานั้นท่านก็บอกว่าบางอย่างท่านก็ยังยังละไม่ได้เวลาท่านเดินไปแล้วเลื่อนจะหกล้มเนี่ยท่านจะรีบคว้าทันทีเลยรีบป้องกันไหมถ้ามีรายพาได้กันได้แต่มันจะไปเด็อัตโนมัติมันก็เลยเป็นสารชาติเตยเพราะมันมันเร็วมาก การที่ไม่กลัวนะไม่ตกใจเนี่ยแต่มันก็จะ ไ, ไปงันกีไปงันทีเฮ้ยถ้าเราเดินไปเราเห็นกิ่งไม้แต่คิดว่าเป็นงูปั๊บกระโดดข้ามเลยเนี่ยท่านี้จะไปเหยียบกิ่งไม้กระโดดไปเลยเขาเชื่อเป็นงูมันไปของมันเลยทัมันเร็วมากพอตาเห็นลูกก็สัญญาลับเข้ามาเพราะสัญญาแต่ปั๊บสังขานมันทํางานทัที่เวทนามทำงางแต่ถ้าอาหารไม่มีเวทนาท่า นั่นเป็ความทุกข์ท uh ั huh. ้งน <'s> ี้เพีงจะรับรู <itime> <near> ้แต่โดยสัญชาตญาณมันก็มันก็จะป้องกันตัวไว้ก่อนจากที่การจ่ายสอนเราพิจารณาที่การสอนตลอดเวลาได้ดอกเรา้ยมันจะเป็นปริญาก็มาแก้ความรู้เดิมที่มันผิดเนี่ยแก้ความหลงผิดเนี่ยคํามหลก็คือความรู้เดิม ที่เห็นเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นเราของเราเห็นว่าเห็นว่าเป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะการสอนเพื่อการสอนแให้เราไปพิจารณาต่อวัตถุมาตรการที่เราเกิดปัญญาถ้าเราไปพิจารณาแล้วมันอยู่ติดกับใจเราจะไม่ลืมมันก็เป็นปัญญาถ้ามันมาแบบขาดขาดห า, า, ายหายมันก็ยังไม่เป็นปัญญายังใช้ประโยชน์ไม่ได้พอถึงเวลา คนเข้าส่งตัวมาให้ไปเที่ยวเขาไปเลย หรถ้ามีปัญญาไปหรออกให้เลยไปดีกว่าไปก็เทานั้นส่งเคิร์นไปเลยสุปัญญามันหายหายงานไม่ค่อยดีจะแสดงว่าปัญญายังไม่ไม่ไม่ไม่พอเพียงเราเดี๋ยวไม่ได้พิจารณาอยังกำลังยังกําลังของปัญญายังไม่มากพอ เราจะพิจารณาไม่ผีไม่ไม่ไม่มากขอถ้านนึกซ้อให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆไงทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเขาออ้าพิจารณาใจรักอยู่เรื่อยๆไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ ต, า, ตายรักทั้งนั้นตายรักทั้งนึงถ้าอย่างนั้นแล้วมันจะมันจะทันกัน นี่ก็ได้เยอะแล้วนะอยากตายยังไงให้ฟังได้นะยะท้าววิวาหัสราภาริปุเลติสาคารังเอวามิวะอิโตกินังเปตานังอุปกาปฏิ อิชิต่างปฏิต่างตุมหังคิดปาเมวะสันิจตุสัพเเอตุเรนตุสังคะปาจันโทปะนาละโศยถามันิโชติระโศยถาสัพคีติโยวิวัจจันตุสักขารโขวินัสตุมาเตปวะทวันตระโยสุขีทีคายุโภพะ อภพิวาธนสีหิตะยิจังวุธาปชาญโนจตาโรธมาวทานติอายุวโนสุขาางสังอาังชัตุ จะมีาถาว่าคประม า, านง่ายสมาธินี่คือเรารู้สึกว่าสมาธิ เ, เราระสบการค่อนข้างจะมีน้อยเพราะว่าเราก็พยายามด้วยเราจะเม้นที่สุดแต่พผมว่า ก, ก, ก, ก, ก็ยังคิดอยู่ก็เลยปล่อยเป็นกีปรัชนาไปก็คือปล่อยคิดอะไรก็พยายามทำไปเรื่อยๆแต่พอ่าถึงจุดๆหนึงก็คิดว่าเอ๊ตอนที่บอกว่าจิตอ น, นละละัตตาเราควรจะพิจารณายอย่างไรคะ อ, อะไรเนื่องเาจิตเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเพราะว่า พอบอกกล้างกายยังเียพอได้ว่าเป็นท่าสิแต่พอบอกว่าจิตไม่มีตัวทรงมันไม่ไม่สามารถที่จะจะเป็นท่ารู้ไงจิตเป็นทาารู้เนาะท่ารู้น้ำหลงไปจิตคือท่ารู้เราเรียกว่าจิตคือตัวที่ธรรมชาติที่ทําหน้าที่รู้สังรับรู้เรื่องราวต่างๆทีงแต่ว่าธรรมชาตินี้ถูกความหลมเข้าไปสอดแทรกไปสร้างให้กลาความรู้สัยน่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา เราคิดว่าเราคิดเราก็เลยคิดว่ามีเราแต่ความคิดมันเป็นแคมเยงแต่ความคิดเป็นความคิดแต่ความคิดนีาเราคิดมีเราเป็นผู้คิดเป็นความเข้าใจผิดว่าเราคิดแต่จริงๆมันเป็นความคิดเป็นความคิดไม่มีความคิดนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนถ้ารู้ที่รู้ความคิดนี้ก็ไม่ใช่ตัวตน เราไม่มีตัวตนเลยตัวตนนี้เป็นสมมุติ <Okay. S 2> สมมุติที่เกิดออกมาจา ก, จากอาวิชชาความหลง <Okay. S 2> แล้วจำเป็นไหมเจ้าคว่าต้องนั่งให้ได้ถึง อ, อัปปนาสมาธิคือมัน <Okay. S 1> ได้มันก็นดี mm hmm. เพราะว่ามันเป็นฐานของจิต mm hmm. ที่มันมันมันได้หลายวิธีมันได้จากการนั่งบอยคำพุทโธแล้วดูลมหายใจเข้าออก เธอนั่งแล้วพิจารณาทุกเวทนาจนจิตปล่อยวางเวทนาได้ถ้าปล่อยวางเวทนาแล้วจิตมันก็จะรวมลงดูอัปปนาได้หรือเดินจงกรมในที่กลัวๆแล้วไปเจออะไรเข้าแล้วจิตมันวูวลงไปรวมลงแบบของนี้ปูดชอบนี้ครับมันก็เป็นอัปปนาได้ทีมันต้องอาศัยที่ที่มันจะไล่จิตให้มันลงอย่างนี้ เราเป็นที่กลัวๆมันถึงจะเข้าถ้าที่ไม่กลัวมันจะไม่เข้ามันแค่อยากได้จะไม่ได้ด้วยเพราะที่กลัวๆนี่กิเลสมันจะหตัวมันจะไม่กล้าออกมาเป็นพานมันก็จะเข้าไปง่ายแต่ถ้าไหนที่มันที่มันปลอดภัยแล้วกิเลสมันจะหข้าหาถ้าถึงต้องไปหาที่ที่กลัวๆเป็นตัวคอยมันกัเป็นปัจจัย ที่จะคอยขลักให้จิตมันเข้าข้างในให้มันรวมลงเพราะ <jusqu> โดยธรรมชาติของจิตนี้ถ้ามันอยู่ที่ไม่กลัวแล้วมันจะชอบออกข้างนอกแต่ถ้ามันเจอผีเจออะไรเนี่มันเจอพุทโธพุทโธนุททททแต่ถ้าบุควรที่เขากลัวเนี่ยแต่เขาไม่มีสมาธิและเขาไม่มีสติ <iga> ติดไม่ได้วมแต่ผมขาวทนั่นค <Das üyor ienne> ือแบบว่าเขาไม่ไม่มีสติมันจะมันจะกลายเป็นอีกอย่างไปเลยอีกอย่างสังเตเลยแล้วก็ไม่มีพื้นฐานมาทางด้านนี้กับได้อะไรเลยมาก่อนเลยกลัวแล้วควบคุมความกลัวไม่ได้มันก็เลยมันก็เลยออกไปทางร่างกายก็ต้องดูความสามารถของเราก่อนที่เราจะไป ตามสุถานที่กลัวๆเราก็ต้องฝึกอยู่ในระดับนี้งคืเรารู้ว่าเราสามารถควบคุจิตของเราได้ในระดับหนึ่งแล้วเพื่อเราไปเจออะไรที่กลัวๆเราอย่างนี้มีความสามารถที่จะควบคุมไม่ให้มันเติมตนต่อ<ม>จนกระทั่งเสียสติไป<ม>ท่านสอนว่าเวลาจะไปอยู่ป่าช้าก็าให้ไปตอนกลางวันก่อน ไปดูลาดเราก่อนภาพใบตองคือคอะไรเดี๋ยวมันไม่ไมันเห็นอะไรเป็นเนเป็ น, นป ล, ลายเป็นเหมืนม ก, กันตาบอกเวลากลัวผีก็จะเห็นตาผีกลัวอะไรมันก็เห็นอย่างนั้นคือสัญญาสังขารมันจะปรุงไปทั้งนั้นทั้งสิ้พอใบไม้ไหวหน่อยอะไรหน่อยแมันเป็นผีได้หมดอย่างจริงๆวันที่เราดูเมฆหมอนี่ยังเห็นเป็นรูปร่างคนหน้าต า, ตาคนได้เลยจิตเราไปปรุงไปแต่งว่ามันเป็นหน้าคนหน้าหน้าคนนี้น เ <im ่ืของจริงก็มีของไม่จริงก็มีแต่เราก็ไม่รู้ว่าของจริงของจริงที่เคยได้ยินก็อย่างคุณแม่แก้วเนี่ยมีผีมามาเข้าในสมาธิท่านแต่เขามันไม่ได้มาแบบหน้าตาหน้ากลัวเขาก็มาแบบคนทำรูปร่างเป็นคนเนี่ยเป็นหูป่าถูกฆ่าตายเขาก็มาเป็นคนแล้วมามาควายถูกฆ่าตายก็มาเป็นมาในรูปร่างของคนมาสนทนาธรรมมา เปรับทุกกับท่านมันไม่ได้เป็นผีแบบที่เราจินตนาการอะไรอ่าอันนี้มันอลกสุภาษไปดูในป่าช้ามันมีอยู่แล้วแต่พวกนี้มันไม่ใช่เป็นผีหรอกมันเป็นเป็นซากศพแต่ผู้ที่จะรู้ได้นี่ก็ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคะใช่มันแล้วแต่จิตว่าจะมีมีมีบุญเก่ามีอะไรของเขาหรือเปล่าที่จะรับเรื่องราวแบบนี้ได้มันเป็นความรู้สก ความรู้พิเศษเนี่ยนุงปูม่มั่นท่านจะเห็นอยู่ด้วยอ่านี้สวสายของปู ม, ม่นท่านบางทีท่านเห็นผียกยกยกมาทั้งครอบครัวอกยกอกไปยกใช่อกไปยกอกจากาลไปอยู่ไหนใช่แต่ไม่ทราบว่าท่านเลาเขาอเป็นรูปร่างของคนก็เป็นอะไรันบอกเหมือน ช, ชาวบาว้าน<ป>ทั่วไปชาวบ้านทั่วไปขอบลูกจุงหลานอะไรยางเงี้ยใช่มันก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดกันหรอกว่ามีแต่โครงกระดูกมีแต่ ไม่เป็นหระกถ้าเป็นไปได้แม่ประจารย์คดีหลานนะคะเรื่องของรื่องนึงเขาเมื่อตื่นพิสัพพะเป็นนั่งไปส่วนมลนั่งนะคะเอาว่าเขาบอกเขาก็เห็นตัวเองยังไม่ทันได้สวดเลยนะคะแต่ที่นั่งฟ้งนีัก็เห็นว่าตัว เ, เองเนีเหมือนกับอนาคตเปิดจอแล้วเป็นแต่งชุอาหารนะคะทหารแบบโบราณตูตจอดึงตีตัวเอง <c oughs> ก็เลยไม่สบายใจเอมันเป็นอะไรแต่ก็บอกว่ารูปตรงนั้นหมเป็นรูปของอนาคตนะคะไม่ใช่รูปอดีอืเขาจะรู้ได้ไงว่าเป็นอนาคต <c oughs> <c oughs> เอะ<า>ใช่ไหมคือท่านบอกว่าเห็นอะไรก็้วอย่าไปเชื่อเลยใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูถ้ายังไม่มีไม่มีอะไรที่จะมายืนยันก็อย่าเพึ่งไปสรุนว่าเป็นอย่างไรอย่างนั้ เป็นองค์เห็นเลขอย่างนี้ยแล้วพอง่วนหน้าก็ตรงปั๊บ <c oughs> เขาก็วิเขาก็มีเขาก็มีมีหลักฐานยืนยันแล้วว่าออกสิ่งที่เขาเห็นนี่มันจริง <c oughs> แต่ถ้าง่วนหน้าเห็นเลขแล้วมันออกมาไม่ตรงอย่างนี้แสดงว่ามันยังไม่แม่นดงนั <c oughs> ้นการจะดูเห็นอะไรต่างๆต้องใช้ปัญญาแล้วต้องรอดูเหตุการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นแล้วมาม า, มาวิเคราะห์ดูก่อนถึงจะ ถ, งถึงจะค่อยสรุปลงไปว่าเป็นอย่างไง ข้อมูลที่เห็นเนี่ถือว่าเป็นข้อมูลติดอยู่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันไม่ว่าจะเห็นอะไรในในนิมินี้ขอรู้ไว้แล้วก็เอามันลงไปในใจลักก่อนเลยว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปแล้วถ้าถ้ามไม่มีปถ้าเราไม่มีปัญญาไปวิเคราะห์มันก็โยทนทิ้งใส่ถังขยะไปก่อนก็ได้อย่าไปเอามาให้มันติดคาติดใจ ต่อในภายภาคหน้าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วมันไปไปตรงกับสิ่งที่เราเห็นใน น, นี้นิดเราก็ได้บอกอ๋ออันนี้มันมาบอกเราให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอของนี้มันไม่แน่หรือ บ, บางทีมันอาจจะเป็นอดีตก็ได้เราจะไปรู้ได้เงมันเป็นอดีตมันไม่ได้ติดป้ายหปล่เนี่ยนี่คือเหตุการณ์ปีพอสอเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมเราก็ต้องติดส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเอาความเห็นของเราไปไปวิเคราะห์ ผว่าเป็นอย่างนั้นเป็นเพิ่มความเห็นแก่เรานี่มันมันไม่มันไม่มันไม่มันไม่ัเสมอไปท่านถึงสอนวาอย่าไปยุ่งกับเรื่องเหล่านี้เพราะมันไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลจะทําให้เราเสียเวลาถ้าเกิดเรามีนิสัยที่จะเห็นอย่างนี้ในเบื้องต้นน่านบอกบังคับให้มันหายไปก่อนดึงกลับเข้ามาหาพุทโธดึงกับเข้ามาหาหาจิตท่านขณกับเข้ามาขณะอย่าตามไปรู้ พอตามไปรู้มันก็จะมีเรื่องให้รู้รู้ไปเรื่อยๆเขาเขานั่งหลายครัอาจารย์บอกครับเนีขาก็เป็นจริงมาหลังๆอะไรเนี้ยเขาเลี้ยงกลวงลูกก็บอกว่าจำที่ฟังจากครูบาอาจารย์บอกให้ปล่อยนึกนึกถึงคุณแม่แก้วไม่ิแก้วหรอกก็บอกเขาว่าเราอ่านนี้ายดูก็ทิ้งไปเลยนะอย่าไปสนใจแต่เขาทําไม่ได้อาจารย์เขาไม่ติไม่เสตถีอน พอนั่งสมาธิแล้วจิตเผอปั๊บติเผลอปั๊บมันก็จะออกไปรับรู้ทันทีท่านมีสติแล้วมันจะไม่ไปมันจะดินกลับเข้ามาได้ยิ่งถ้ามีปัญญาแล้วมัไม่ไปพวกที่ปัญญานี่ยมันจะไม่ค่อยออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะปัญญามันจะทันคอยคุมจิตอยูต่ตลอดเวล า, าแต่พวกที่ไม่ค่อยมีปัญญาไะไรพวกที่ซื่อๆบื้อๆอย่างเงี้ยพูดโถพูดโถปับ๊บมันก็ไปละ ก็เื่อาอ่นนังสือของหลวู่ดูลย์ท่านบอกว่าที่เห็นน่นจริงแต่ที่เห็นน่นจริงแต่ตัวตัวที่เห็นน่นไม่ใช่ของจริงที่ไม่ใช่ของจริง แต่สิ่งที่แต่สิ่งที่ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ใชถูจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่ของจริงก็เห็นไม่จริงก็เห็นไม่จริงก็รู้ว่าเราละติมาเพียงแ็เห็นรงไม่ใู้ว่จริงทาง่หลงตาท่านเคยเลมว่าท่านบอกนิมิตมันมีสองย่างนิมิตที่เกิดจากจิตเองและนิมิตที่เกิดจากภายนอกรือพวกกคทิศต่างๆนี่เรียกว่านิมิตที่มาจากข้างนอก นิมิต ท, ที่เกิดจากจิตเองว่านีิมิต ท, ที่อาจจะเป็นอดีตชาติอย่างนหรือจิตมีความจํานึกอะไราบางอย่างที่มันทําให้มันรู้ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างนี้อันนี้มันเป็นสิน่งที่มันเกิดขึ้นจากในจิตเองมันมีสองอย่างถ้ทั้งสองอย่างนี้ก็ท่านก็บอกว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงควนอยู่ด้วยบางทีก็เป็นความเพเ้อเจือของจิตที่ลูงไปกบบนี้ทั้นก็อย่าเพิ่งไป อย่าไปสนใจที่เราไม่มีปัญญานี้อย่าอย่าไปอย่าไปเหมือนกับไปเล่นกับงูอ่ะ mm hmm. ถ้าเรายังไม่จับงูไม่เป็นไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับงูก็อย่าไปเห็นงูก็ก็หนีดีกว่าถอยดีกว่าทําจิตให้สงบดีกว่าให้นิ่งอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเพราะถ้าถ้าไปยุ่งกับพวกนี้แล้วมันนั่งไปนานเท่าไหร่มันออกมามันก็เหมือนกับไม่ได้นั่ง mm hmm. จิตจะไม่มีกําลังหยุดกิเลสได้เพราะมันไม่นิ่ง พ อ, พอเกิดความรูวความโกรธขึ้นมาก็ไม่มีกำลังที่จะไปหยุดมันได้ไม่มีกำลังที่จะคิดนานอย่างต่อเนื่องได้พิจารณาได้เดียวเดียวเดี๋ยวก็ถูกอารมณ์อื่นฉุดลากไปแล้วแต่ถ้าเราทำจิตให้ ม, มสงสงบได้นานเท่าไรเวลาออกมาเวลาพิจารณาอะไรมันก็จะอยู่กับเรื่องที่เราพิจารณาได้นานเท่านั้นแล้วถ้าเราพิจารณาได้นานเท่าไหร่มัน ปัญญาก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> มันก็จะทันมันก็จะทันกับกิเลสเพราะ้ขอให้เรานั่งสมาธิทำสมาธิเพื่อเป็นฐานสนับสนุนปัญญาคือต้องให้มันนิ่งให้มันเป็นอัปนัาให้มันเป็นอุเบกขะขาสัตว์แต่ว่ารู้อยู่ถ้ามันจะไปรู้เรื่องอะไรในเบื้องต้นนี้อย่าเพิ่งไปสนใจแต่จะว่าถ้าเราได้ปัญญาแล้ว เรามีปัญญามีเครื่องมือที่จะวิเคราะหว์วิธีที่จะแยกแยะต่ อ, อสู้กับพวกนิมิตต่างๆอันนี้นะอ ย, อยากจะออกไปรู้มากก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นงานอดิเรกนะเขาให้เกิดงานงานหน้าที่หลักของเราก่อนคือค ก, คกําจัดความโลภความขว่ความหลงให้มันหมดไปก่อนถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็รักษาให้หายก่อนหายแล้วทีนี้อยากจะลองยาชนิดนั้นลองยาชนิดนี้นดูว่ามันทําให้ ตาดีขึ้นหูดีขึ้น <c oughs> หรืออายุยาวขึ้นหรือไม่นี้ก็ลองได้แต่ตอนนี้ตอนนี้ยังมีโรคอยู่อย่าเพิ่งไปลองอยาพงนี้ <c oughs> ตามันจะดียังไง <c oughs> หูมันจะดียังไงถ้ามันมีโรคมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะนะรักษาโรคให้มันหายก่อนพอโรคหายแล้วทีนี้ใครมียาวิเศษยังไงจะให้ลองดู กินก็ไปแล้วทําให้ผมไม่ขาวเงี้ยก็ลองดู<笑><笑>แต่พวง น, นี้มันไม่มันไม่มีคนณค่าอะไรเั่านี้ขาวไม่ขาวผมดำหรือผมขาวมันก็เท่านั้นอะ่ะอขอให้โรคมันหายเถอะขอให้มันไม่ทุกข์ก่อนถ้าหมดความทุกข์แล้วทีนี้จะไปเล่นกับนิมิตยังไงก็ได้นั่งดูนิมิตทั้งคืนก็ได้ งานไปที่ยมท่านจะกฏิเสธประเภทไหนคะติดต่อการมรตัานะไงควาอยากในรูปเสียงเกล็ดกรอนมีสารการมตฐานะภาวะฐานะวิภาวะฐานถ้าอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตนี่ก็เป็นภาวะฐาหาถ้าอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็เป็นวิภาวะฐาหา อย่างเกี่ยวกันกามาต่าาตได้เปียคนหนึงแล้วคนนก็ไปแล้ว